ต่อไปคิดว่าจะทําเป็นแบบแผ่นที่ประเทศไทยและแผ่นที่โลกให้พวกเราเนี่ยได้ได้เขียนชื่อที่อยู่ลงไปในนั้นแล้วขึ้นในแผ่นที่เพื่อที่จะแบบว่าใครต้องการจะเป็นรัตน呐หที่จะประกาศคําตถาคตนะก็ก็ขีเข้าไปในนั้ น, น, นได้เราจะได้รวบรวมข้อมูลว่า อยู่จังหวัดไหนประเทศไหนอะไรกันบ้างอย่างนี้ให้ให้เห็นแลวได้เห็นในภาพรวมขึ้นมาในเว็บไซต์ทุกคนจะได้ทราบว่าตอนนี้เรามีใครกันบ้างที่ช่วยการเผยแผ่พุทธวิชชะอยู่กำลังให้อาจจะติดต่อให้โยมที่เขาเขียนโปรแก ร, รมอ e นะีทปิตกชช่วยทำนะขึ้นแล้วก็มันจะได้ได้เร็วเพราะว่า หลายคนต้องการแล้วก็เขียนจดหมายมาพอดีเราก็ไม่มี เ, เวลาที่จะรวบรวมข้อมูลอะไรต่าๆ อ, อย่างนี้ก็ให้ทุกคนคีย์เข้าไปเองเลยใชนะ่อาจจะบอกชื่อที่อยู่อีเมลเอาไว้ในการประสานงานติดต่อแล้วก็ถ้าเผื่อต้องการหนังสือซีดีเราจะได้จัดส่งไปใหนะ้เพื่อให้ช่วยแจกในแต่ละที่ได้นะ เออกล้องกงพร้อมแล้วใช่ไหมจะให้อวยพรปีใหม่หรอก็ก็เออ <c oughs> ก็ในในโอกาสปีใหม่นะก็ขอ อ, อ, อ่ำหนวยอวยพรให้าญาติโยมผู้ชมนะในรายการนะแล้วก็ พุทธือบริษัททุกท่านเนี่ยให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะให้เป็นผู้ที่ได้สดับในคำของตถาคตได้เป็นผู้ที่เป็นบริษัทที่เลิศคือเป็นปฏิปุจฉาวินีตาปริษาโงอุกาจิตวินีตานะคือบริษัทที่ใช้คำตถาคตนะก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายนะนะร่วมกัน ศึกษาปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่คำของตถาคตแล้วก็ให้เหตุปัจจัยดังกล่าว เ, เป็นเหตุปัใจจัยให้พวกเรานะมีความเจริญในธรรมของตถาคตคิดวคิดวั ง, ดวงสิ่งใดก็ให้สำเร็จ ส, สมสความปรารถนาและให้ได้เด้งตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้ Watts. โดยทัวกันทุกท่านทุกคนก็ ต่อไปก็ซักถามปัญหาต่างๆได้นะถ้าใครมีปัญหาก็สงสัยฮเจนใช้ไม้ได้นะจะได้ยินไปทางอินเทอร์เนต็ตด้วยนะถ้าไม้ตรงไหนขึ้นสีแดงอาจจะแบตหมดก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแบตได้นะการรีแจ้พระอาจารย์เลยค่าไม้ไม้ถ้าเปิดแล้วไม่ต้องปิดก็ได้นะเปิดไว้เลยจะได้ไม่ต้องเปิดปิดเจนตอนเนื่องจาก ที่ขราสาวพระอาจารย์พูดถึงสัญญา1ิบประการใช่มคะที่รักษาโรคได้นะคะคือตัวเองก็มีสงสัยอยู่เรื่องของวิราค้าสัญญาค่ะที่พระเจ้าท่านตรัสว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตกล่าวคือธรรมชาติเป็นอันที่ระ ง, งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นอันที่ สลัดคืนแห่งอุปธิทั้งปวงเป็นอันที่สิ้นสุดแห่งตัญหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นค่ะตรงนี้ข้าอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าธรรมชาติ ต, ตรงนี้นะคะหมายถึงอะไรบ้างนะคะธรรมชาตินี่ก็คืออย่างเดียวคือวิมุตติหรือนิพพานนั่นเองนะก็คือน้อมไปสู่สภาวะที่มันไม่เกิดไม่ดับไม่มีขันห้าเพราะเราจะเห็นขันห้าเกิดดับตลอดเวลา พอเห็นการห้าเกิดดับเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะจิตก็จะน้อมไปสู่ตรงนั้นนะกลับคืนสู่สภาพเต็มของตัวเองนั่นเองนะครับ uh huh. ขอบคุณครับตอนแรกนึนกว่าคือธรรมชาติของทางที่เรามองด้วยตาคือความสงบแล้วก็ด้วยทางจิตที่เหมือนกับวิเอร์คือเรื่อวิเวกใช่ไหมคะประมาณนี้ uh huh. ก็คือเป็นส่วนส่วนประกอบที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกที่มีความรู้สึกแข่งกัน ละตรงนั้นได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะขอบพระคุณครับขออยากจะสอบถามในเรื่องทิฏฐิสูร น, นะครับอ่ า, าขอเ น, ออนื้อหาดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบทำสี่ประการย่อมเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันไม่ผิดและเป็นอันปารบเหตุเพื่อความสิ้นอสวะทั้งหลายทำสี่ประการเป็นฉนัยคือเนคขมไมวิตกหนึ่งอภยบาตวิตกหนึ่ง อวิหิงสาวิตกหนึ่งสัมมาทิฏฐิหนึ่งดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันไม่ผิดและเป็นอันปรารบเหตุเพื่อความสิ้นอสาาวะทั้งหลายออขอควรมกราพระอาจารย์ช่วยขยายความธรรมสี่ประการครับ อ, อ, อันนี้ค่อนข้างเป็นพื้นฐานเลยนะครูอาจาจะตรัสบ่อยมากในอันแรกก็คือเรื่องของเนคขมวิตกใช่ไหมคือการหลีกออกจากกรรม หลีกออกจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลาย5ช่องทางของกาย5ช่องทางของอายจตนะห้าทางกาย <c oughs> ลูกที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นผนึ ภ, ภาพที่สัมผัส ร, รับรู้ได้ด้วยกายอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใกล้น่าพอใจเป็นที่น่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจอันนี้ถ้าเราหลีกออกมาจากนี้เรียกว่านึกกรมวิตกลนะหลีกออกจากการพยาบาทนะการที่จิตผูกไปกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหลายนะหลีกออกจากการเบียดเบียนความคิดที่ปรุงแต่งไปในทางเบียดเบียนทำร้ายกันนะนะจะเป็นทางวาจาเป็นทางกายก็ตาม มีทิฏฐิที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิมีคนถามพระศาสดาว่าสัมมาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่ะจะมีหลายนัยยะนัยยะหนึ่งก็คือความไม่รู้อันใดในอริสั ส, สีเนี่ยความไม่รู้อันนั้นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิดังนั้นความรู้อันใดในอริสสสีความรู้อันนั้นก็คือสัมมาทิฏฐินะดังนั้นถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิคือเราเห็นอริสสสี เห็นทุกสมุท well, in ัยนิโรธมรรคเห็นธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราว่ามีการเกิดขึ้นและมีการดับไปสมุทัยกับนิโรธนี่ก็คือทำสีประการถ้ายมมทมแค่นี้ก็หลุดพ้นได้ขอบคุณครับครับอาจารย์มัสการทธาาจย์ผมขอเรียนในโอกาสมี่สบประเด็นประเด็นที่หนึ่ง ทันเตที่มาจากประเทศสวีเดนนั้นผมและครอบครัวจะขอมีส่วนร่วมในการนําหนังสือถวายด้วยขณะ น, นี้ตั้งใจไว้ว่าจะถวายที่มีอยู่แล้วห้าเล่มจากพระโอษฐห้าเล่มหนึ่งชุดอารียวินัยห้าเล่มพบภูมิสิบเล่มแล้วก็หนังสือธรรมะเล่มเล็กๆเกท่าที่มีอยู่ทั้งหมดที่มีอยู่กับแผ่นซีดีที่พระอาจารย์มอบให้ไปนั้นทั้งหมดนั้น ก็จะขอถวายไปก่อนในช่วงนี้ขอมีส่วนร่วมไปด้วยถ้าหากมีส่วนที่ยังปรารถนาเกินกว่า น, นี้ก็ผมก็จะรับช่วยตามอัตภาพของตนเองก็ขอกราบเรียนพระอาจารย์ทราบแล้วจะนำมาถวายในอาทิตย์หน้าส่วนที่สองจะเรียนถามพระอาจารย์ในฐานะบุตรที่เกิดจากปากของพระพูลมีพระเจ้าโดยธรรมที่อยากจะเรียนก็คือ พระพุทธเ้าตรัสไว้ในพระสูตรเกี่ยวกับมหาปุสริษัลักษณะนในลนักษณ ะ, ะที่เก้ากับลักษณะที่สิบเก้าลัทธิหก้เก่าวคือว่าพระองค์นั้นเมื่อทรงยืนอยู่นั้นสามารถรูปข่าสองข้างโดยได้โดยไม่ย่อต้องย่อตัวลักษณะที่สิเก้า็คือทรงพระองค์ท่านเหมือนตน้นไสรกรรมที่พระองค์ทําท่านไว้ในภพที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์นั้น ท่านตัดว่าท่านเป็นผู้มีทรัพย์มากมีโภคะมากทรัพย์ที่ท่านตัดไว้นั้นก็คือทรัพย์มากก็คือทรัพย์ด้วยศรัทธาทรัพย์ด้วยศีลทรัพย์ด้วยหิริทรัพย์ด้วยโอตปะทรัพย์ด้วยสุตตะทรัพย์ด้วยจากกะและทรัพย์ด้วยปัญญาองค์ตัดไว้อย่างนั้นก็ผมก็มีสิ่งที่จะเรียนถามพระอาจารย์ว่าทรัพย์ผู้มีทรัพย์มากมีโภคะมาก ในในพุทธวัจนะที่เกี่ยวกับเสขะกับปุถุชนนั้นทัพมากโภคมากนั้นหมายถึงอย่างไรมีความหมายอย่างไรทัพมากโภคมากของอะไรนะเสขะบุคคลครับเสขะกับปุถุชนครับเสขะกับปุถุชนเสกขะเนี่ยหมายถึงถึงบรรพชิตหรือว่าหรือว่าคาร า, าวา ด, ด้วย รวมถึงคารวา ด, ด้วยรวมคารวะด้วยใช่ไจริงๆทรัพย์ของมนุษย์เนี่ยผู้เจ้าบอกคือโลกุตระนั่นเองความเป็นความเป็นอริบุคคลในแต่ละขั้นเนี่ยคือทรัพย์ที่แท้จริงของมนุษย์ส่วนทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่จัดว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงกษัตริย์ก็บัญญัติว่านี่เป็นทรัพย์ของตนพราหมณ์ก็บัญญัตินี่เป็นทรัพย์ของตนเวสสูตรก็บัญญัตินี่เป็นทรัพย์ของตน แต่นั้นก็ยังไม่ใช่สับที่แท้จริงนั้นซับ ท, ที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือโลกุตระแต่ถ้าจะพูดรับในทางโลกของบรรพชิตก็คือจีวอบินตาบาเสนาสนะเพสันมีมากพระบางลูปหาญาตด้วยปัจจัยสี่เลี้ยงชีพตอนนี้พระบางลูกหาง่ายนี่ก็อยู่ที่กรรมของเขาที่เคยทำมา ในอดีตคนเป็นผู้ให้นะเชวคมผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ5ประการเมื่อคราวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบวชเป็นบรรพชิตนะด้วยสุขด้วยวันนะด้วยยศ ด, ด้วยรา บ, บริการต่างๆนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ <c oughs> มีในทิดในแง่มุมของนมามธรรมก็อย่างที่ที่พระองค์ตรัสไว้นั่น ก, ก็จัดเป็นทรัพย์เหมือนกัน ที่ผู้เจ้าบอกว่าคนจนเข็นใจไร้ซั์ในอริวินันะการไม่มีศรัทธาหิริโอตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดบุคคลนั้นเรียกว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ซัพ์ในอริวินันะเขาก็ต้องกู้นี่กู้นี่คือการทำอกุศลการทำอกุศนคือการกูน้นี่เมื่อกู้นี่แล้วก็ต้องถูกทวง นะเขาจะไปอยู่ป่าอยู่โคนไม้ท้องถ้าเชื้อเนื้อผาก็ตามความคิดนี้จะติดตามเขาไปนั่นแนหะคือการถูกทวงนี้นะมีการถูกทวงถูกติดตามถูกจับกลุมนะจะมีลักษณะเหมือนคนเป็นห น, นะ น, นี้นะเพราะฉะนั้นอกุศลละธรรมเหล่าใดเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผู้เจ้าให้รีบทิ้งไปอย่าไปเลี้ยงเอาไว้อย่าไปรักษาเอาไว้ต้องละนันทีให้ไวที่สุด นะเราจะได้ไม่ถูกทวงหนี้ไม่ไปกู้หนี้นะกันอย่างนี้เนะี่ยนัยยะต่างๆนะในเรื่องของทรัพย์จริงๆก็จะมีหลายนัยยะเหมือนกันนะผมขอพุทธาตอไปว่าญาติที่ทำถามเมาื่อวานนี้เรื่องของอินทรีห้ากับพระห้าผมก็มาใครต่ตรองดูว่าอินศรีห้ากับพระห้านั้นถือเป็นทรัพย์ส่วนหนึ่งของเสขะหรือของบุคคลนั้นได้หรือไม่ก็ได้โยงได้นะ ก็เป็นส่วนหนึ่งของกําลังกองของความเป็นอริยะนะก็ถือว่าเป็นเป็นทรัพย์ส่วนหนึ่งใช่ใชเหมือนกันอินทรีย์เก่าของเรานี่แหละที่เราเคยทํามาเนี่ยก็จัดเป็นทรัพน ะ, นะที่สั่งสมไปเรื่อยๆที่พระศาสดา บ, บอกว่าพระองค์ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักรุแล้วเนี่ยก็เห็นว่าสัตว์ตั้งหลายเนี่ยมีทุลีในดวงตา แต่เล็กน้อยบ้างมีทุลีในดวงตามากบ้างมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างมีอินทรีย์อ่อนบ้างที่เปรียบเหมือนหนองบัวบนบัวปทุมบูวปุนทลิกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วใน น, ใน้ำเจรลญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วใน น, ใน้ำเจรลญในน้ำน ะ, อ, ะอันน้ำพยุงไว้เนี่ยตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำอีกพวกหนึ่งก็คือโผล่ขึ้นพนน้าบัวสามเหล่า ร่วบอกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเปรีบอย่างนี้ผมเองก็ได้ประลบกับตนเองด้วยตนเองครับว่า<ม>เราก็เป็นคนที่มีทรัพย์มากโภคข้ามากคนหนึ่ง<ม>ในทำวินัยนี้เหมือนกันก็ใคร่ชวนตัวเองบอกตัวเองว่าอ๋อหนึ่งเราก็มีทรัพย์คือสัทธามากเราก็มีทรัพย์คือสิ่งมากเราก็มีทรัพย์คือฮีดีมากมีทรัพย์คือโอตตะปามากเหมือนกัน นอกจากนั้นเราก็มีทรัพย์ที่เป็นจากะมีสุตตะแล้วเราก็มีปัญญาถึงจะไม่มากนักแต่เราก็มีอยู่ mm hmm. ก็ปรลอบตัวเองว่าเราก็เป็นผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งเหมือนกันในทางของธรรมในลักษณะ น, นี้ปรลกตัวเองนี้ถือว่าเข้าข้างตัวเองหรือปล่าตั้งตัวเองไหมก็มันก็ต้องตรวจดูตนเองอ่ะเนาะทุกคนก็ต้องตรวจดูตนเองว่าเออเรามีสิ่งเหล่านี้จริงไหม และการมีสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็มีวิธีการตรวจสอบตนเองนะอย่างว่าการมีศรัทธามากเราบอกเรามีศรัทธามากเนี่ยเครื่องวัดคืออะไรโสตาปเตียงคัตสีเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าไหมนะนั้นเราบอกเรามีศรัทธามากแต่เรายังหวั่นไหวในพระพุทธเจ้าผู้เจ้าพูดมาแล้วยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรือว่า ถูกสมณะเทพมารปรมอื่นๆดึงศรัทธาไปได้ก็ยังไปเคารพสิ่งโน้นสิ่งนี้นะเคารพภูเขาลู ก, ลกเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์น ะ, ะหรือประพืชวัดในแบบสมณะพรามหมณ์เราอื่นที่าศาสดาไม่ได้บัญญัตินี่คือเครื่องวัดว่าศรัทธาที่เรามีเนี่ยมันมีเต็มร้อยหรือเปล่านะดังนั้นเครื่องวัดศรัทธาพระเจ้าก็มีบอกไว้อีก เธอจะไม่กระทําซึ่งวัตโกตูลมงคลมงคลภายนอกของสมาพามาเราอื่นเครื่องวัดความเพียรคืออะไรมีความเพียรที่จะละอกุศลไหมมีความเพียรสร้างากุศลขึ้นมาไหมล้วบอกเรามีความเพียรแต่อกุศลเกิดในจิตไม่เคยละอันนี้ชื่อว่ายังไม่มีความเพียรไม่มีกําลังนี่เราบอกเรามีกําลังสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌ า, า, านเข้าได้ไหม จัตตาโรชานางชาทั้งสี่เป็นเครื่องวัดนะอะเป็นเครื่องวัดกําลังของสมาธิเราบอกเรามีปัญญาเราเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปไหมถ้ายังไม่เห็นยังไม่จัดว่ามีปัญญานะออืเป็นอย่างนี้ผมก็กราบพระอาจารย์ในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งครับผมก็นับว่าผมเป็นผู้มีทรัพย์มากมีโพค้ามากคนหนึ่งในฐานะลูกศิษย์ของพระอาจารย์กราบขอบคุณ น้ำมัสการพระอาจารย์ค่ะขอญาตเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจะช่วยอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความนะคะของระหว่างเจตโตวิมุตกับปัญญาวิมุตต์เพะเนื่องจากความเข้าใจของตัวเองอาจจะยังไม่กระจ่างชัดนะคะอยากให้พระอาจารย์ขยายความอีกจริงๆพระศาสดาตัดเรื่องนี้ไว้แล้วตั้งแต่เรื่องของออสมถะทำแล้วได้ประโยชน์อะไรพระองค์บอกจิตจากเจริญ จิตเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรนะจักระราคาได้วิปัสสนาทําแล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรน ะ, ป, ญญจ ะ, จะรนปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วได้ประโยชน์อะไรจะละอวิชาได้อีกพระสูตรหนึ่งจะเชื่อมพระสูตรนี้ต่อไปว่าน ะ, ะเจริญสมถะแล้วเนี่ยจะไล่ลําลดับไปอย่างนี้จะได้เจโตวิมุติ อีกอันนึงจเจริญวิปัสนาตามลําดับอย่างนี้จะได้ปัญญาวิมุตต์ี่เป็นอย่างนี้นั่นก็คือย้อนเหตุปัจจัยกลับมาเนี่ยาาการได้มาซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยมันมาจากอะไรมาจากการเจริญสมถะแล้วก็เจริญวิปัสนาแล้วก็แยกเป็น2 ส, ส่วนอย่างนี้แต่การแยกโดยละเอียดมากกว่านี้ก็ยังมีอีกนะเช่นเป็นอุพโตภาควิมุตต์หลุดพ้นโดย2 ส, ส่วนเก่งทั้ง2ด้านทั้งเจโตทั้งปัญญาอย่างนี้ซึ่ง พระศาสดาบอกพระองค์เนี่ยได้ในส่วนนี้อุพโตภาพวิมุตตเก่งทุกเรื่องนะพวกได้ปัญญาวิมุตตนะพวกได้กายสักขีทิฏฐิปัตตัสธานุสาลีธรรมานุษาลีนะก็จะแบ่งเป็นอีกเจ็ดระดับของอริบุคคลนะเจ็ดแบบอย่างนี้นะแล้วอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลใช่ไหมคะว่าจ ะ, จะเจริญสมถะก่อนหรือว่าววิปัสนาก่อน อย่าบอกว่าขึ้นอยู่กับความถนัดอย่าบอกว่าขึ้นอยู่กับจริตต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับอินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของใครมากในทางไหนเดี๋ยวมรกวิธีมันก็จะน้อมไปในทางนั้นนะเพราะว่าคนมักจะพูดเรื่องว่าเข้ากับจริตของตนเองทําให้คิดว่าเลือกตามความอยากของตนเองมันก็จะจะผิดจากที่พระศาสดา บ, บอก คนส่วนใหญ่ชอบพูดอย่างนี้แต่ถ้ามาไปสืบค้นหนาดูแล้วเนี่ยผู้เจ้าไม่เคยตรัสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งในเรื่องของจริตว่าให้เลือกตามจริตตนเองไม่มีน ะ, น ะ, นะให้ดูตามที่หนึ่งผู้เจ้าสรรเสริญอาไวาย้ยลึกเปล่์นะผู้เจ้าบอกมหาชนจะเดินตามที่พระองค์สรรเสริญอาวา้อืมแบบนี้นนขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ ขอโอกาสครับท่านอาจารย์ไอโปรแกรมสืบค้นพระไตรปิฎกครับบางทีถ้าเราได้ยินคนเขาพูดให้ฟังอย่างคําเนี้ยเราจะไปสืบค้นว่าเป็นคําของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าอ uh huh. ถ้าเราสะกดผิดนิดเดียวก็จะหา uh huh. ให้พบเลย uh huh. คืออยากให้มีแบบว่าคําใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยครับมีมันจะมีในคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าโยมใช้ในพวก iPad อะไรพวกนี้มันยังจะไม่มีแต่เดี๋ยวเขาอาจจะทำให้เพราะไม่ทราบว่ามันจะกินเนื้อที่หรือข้อมูลจนทำให้เกิดปัญหาในการโหลดเข้ามาหรือเปล่าบางทีก็ต้องตัดฟังก์ชันอื่นๆออกเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์เหมาะสมในในระดับของอพวกแท็บเล็ตกับมือถืออย่างนี้แต่ถ้าในคอมพิวเตอร์จะมีตัวใกล้เคียงให้น ะ, ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเรื่อยๆนะ <c oughs> แต่บางทีมันก็ต้องต้องใช้การสืบค้นนานที่เรียกว่าบางทีบางทีมันไม่มีไม่มีเขาไม่ได้แปลคํานั้นแล้วอย่างคําคนพูดมาโยมไม่รู้เขาพูดด้วยภาษาในนั้นหรือเปล่าหรือเขาพูดภาษาแบบของเขาเองแต่เราเข้าใจแล้วเราก็จําเขาเขาไปสืบค้นเนี่ยนะบางทีมันจะไม่เจอหรือเหมือนเหมือนอย่างท่านรู้ท่าบอกว่า กลองศึกของกษัตริย์ทาศาสาราะแต่ในฉบับสยามรัฐใช้ตะโพนโอ้โหมันจะเจอกันไหมเนี่ยขีกลองสึกนะกลองไม้กลองอะไรก็ไปถ้ามีคําว่ากลองแล้วก็ไม่เจอต้องตะโพนม <c oughs> ันก็บางทีนะหรืออย่างว่าท่านบุท ธ, ธาตุพูดคําว่าวัสีทําเป็นวัดสีทําเป็นวัสีทําให้สม่ําเสมอจนเกิดความชํานาญอะไรอย่างนี้นะ เราคีย์คว่าภาษีเข้าไปในภาษาไทยจะไม่เจอเลยเพราะเขาแปลไปแล้วว่าชํานาญแต่มันจะไปเจอในบาลีอย่างนี้เราก็ต้องพลิกกีเวิร์ดเป็นหาในบาลบาีในภาษาไทยบ้างอะไรอย่างนี้นี่ก็เป็นความยากระดับหนึ่งของแม้ว่าจะมีโปรแกรมสืบค้นมาแล้วน ะ, อ, ะอันเนี้ยอ่าฮะอ๋ะอ อ่าอ่าฮอ่าอ่าอ่ลองหาคำใกล้เคียงเพราะบางทีอันเนี้ยเป็นแบบว่าสำนวนภาษาของของท่านพุทธทาสบ้างก็มีและบางทีแบบอ่านอนหนูนอนเนรหอหีบอะไรตกอย่างเนี้ยนะอ่าเพราะนั้นลองลองปรับกีเวิร์มันจะมีคำหนึ่งคือโกตัวรมงคลอย่างเนี้ยไม่มีคำว่าวัดวัตรละบางทีพอเราใส่คำว่าวัตรละ ซึ่งอันนี้มาอ่านมาเติมเข้ามาอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่เจอดีต้องตัดคําหน้าต่อท้ายหรือใส่เหลือคำสองคาอะไรอย่างนี้ให้มันหาน้อยๆคําอย่างนี้อ่าเนี่ยต้องปรับไปปรับมาน ะ, ะลังดูอีกทีท่านอาจารย์ครับรบกวนท่านอาจารย์วิเคราะห์กรณีของ อ, อ, องค์ุริมาณกับพระเจ้าอาชาติศัตรูครับ S <S ทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไปห้ามพระเจ้าอาชาติศัตตูว่าอย่าให้ทําอนันตริยกรรมอครับฮ <c oughs> คือความสามารถพระเจ้าเนี่ยก็ระดับหนึ่งนะในความเป็นพระเจ้าในเลิศที่สุดเก่งที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดเนี่ยนะไม่งั้นพระเจ้าก็ขนสัตว์โลกไปทั้งหมดมีคนมาเย้ยหยันพระเจ้าว่าอ่ะพระเจ้า เทศสอนเก่งพาคนทั้งโลกหลุดพ้นได้ไหมหรือครึ่งโลกหรือหนึ่งในสามของโลกผู้เจ้านิ่งไม่ตอบใช่ไหมโยมบอกว่าเอ้ทาไมไม่ช่วยพระเจ้าชา่ชางศัตรูก็บางทีเป็นกรรมของท่านนะนะและโยมอาจจะถามได้ว่าอ้าทาไมผู้เจ้าเป็นสัพปัญญูไม่หลบหินที่พระเทวทัตกลิ้งมาไม่รู้หอว่าพระเ ท, ะเทวทัตจะกลิ้งหินลงมามันพูดได้ทั้งนั้นนะโยมนะแต่ในความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธาก็จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแค่ไหนอย่างไร อย่างเนี้ยคือคือจะมีไอตรงท้ายพระสูตรใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้าเท้าเธอไม่ทำอนันตเรียกรรมือกรรมหนักเนี่ยเท้าเธอจะบรรลุทำหน้าที่นั่งตรงนี้นะฮะใช่ก็ใช่คือแต่ก็ทำไปแล้วไงใช่ไหมครับขอบพระคุณครับแต่องคุยอย่างองคลยมายังไม่ได้ทำแต่ที่โยมถามหมาอาจจะหมายถึงว่าทำไมตอนทำก่อนไม่ไปห้ามตั้งแต่แรก นั่นแนหะ น, นี้มันก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเขาในความเป็นสัพพัญยูเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยจะมาประดังเข้ามารู้ในจิตของผู้เจ้าทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวพวกสมณพราหณ์เหล่าอื่นเนี่ยเาจะเรียกเขาจะเรียกว่าสัพพัทสาวีเขาจะคิดว่าพวกสัพพัญยูแบบว่ารู้ทุกเรื่องพร้อมกันหมดเลยทีเดียว ไทยทำอะไรทุกไหนรู้หมดอย่างนี้แต่จริงๆพระเจ้าบอกความเป็นสัพพัญญูเนี่ยรู้เมื่อต้องการที่จะรู้หรือจิตน้อมไปเพื่อจะรู้นะแต่ถ้าจิตไม่ได้น้อมไปก็ไม่ได้รู้นะแต่ถ้าจิตน้อมไปก็คือรู้ได้ทุกเรื่องไม่มีประมาณได้หมดนี่คือความเป็นสัพพัญญูและโดยปกติก็คืออยู่อยู่สงบอยู่ในสุญญาตาวิหารธรรมนี่นี่ไม่งั้นจิตพระเจ้าก็ฟุ้งซ่านสิเที่ยวรู้ไปเรื่อยทั่วโลกธานหมดเลย ใครทำลายชุกชิกไปหมดเลยใช่ไหมแต่ผู้เจ้าอยู่ด้วยความสงบแต่ถ้ามีบุปกรรมต่อกันอย่างเนี้ยจิตน้อมไปรู้ก็รู้ได้และต้องการรู้ต่อว่าเอ๊ะอะไรเป็นยังไงน้อมเข้าไปรู้ก็รู้ได้ตลอดอย่างเนี้ยไม่มีประมาณนี่คือลักษณะของสพัญยูล้า อ, อย่างกรณี <c oughs> ที่ <c oughs> ปริภาชิกาถาม <c oughs> พระสารีบุตร <c oughs> ว่าท่านกมนาฉันเงนหน้าฉัน มองทิดน้อยฉันแล้วก็ออมองทิดใหญ่ฉันอย่างเงี้ยครับพระพุทธเจ้าได้รับรองคำพูดนี้ไหมครับต้องลองไปดูเนาะเคยผ่านมาทีละนะไม่แน่ใจลองหาดูแต่เป็นคำพูดของภาษาริบุต่ตอบนะถ้ารับรองก็ได้ถ้าไม่รับรองก็เราก็ปล่อยไปขอบคุณครับ พระอาจารย์ขาอากาศเขาอากาศท้องพะศุทธ์ท้องพสศุทธ์พระสูตรชื่อว่าฤทธเดชของลาบสักการะอะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ล่ําสันนําเอาเชือกมีคมอันหยาบมาพันรอบๆ อ, อบแข้ง่งแล้วสีไปสีมาเชือกนั้นย่อมบาดผิวหนังคันบาดผิวหนังแล้วย่อมบาดหนังคันบาดหนังแล้วย่อมบาดเนื้อ คันบาดเนื้อแล้วย่อมบาดเอ็นคันบาดเอ็นแล้วย่อมบาดกระดูกคันบาดกระดูกแล้วย่อมเข้าจดอยู่ที่เยื่อกระดูกข้อนี้ฉันใดลาบสักการะและเสียงเยือนยอมีก็ฉันนั้นมันย่อมจะบาดผิวหนังเมื่อบาดผิวหนังแล้วย่อมจะบาดหนังเมื่อบาดหนังแล้วย่อมจะบาดเนื้อ ขันบาดเนื้อแล้วย่อมจะบาดเอ็นขันบาดเอ็นแล้วย่อมจะบาดกระดูกขันบาดกระดูกแล้วย่อมเข้าจดอยู่ที่เยื่อกระดูกภิกษุทั้งหลายลาบสั ก, กาละและเสียงเสียงเยือนยอเป็นอันตรายที่ทาลุนแสบเผ็ดหยาพายต่อการบรรรุ่พระนิพพานอันเป็นธรรมกระเสมจากโยคะ ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่ า, วาด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจากไม่เยื่อใยในลาบสักการะและเสียงเยือนยออันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเยือนยอที่เกิดขึ้นต้องไม่ห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละดีมากต้องเนิวอยายาขั้นสุดท้ายเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปให้ยาอีกแล้วเนาะใช่ค่ะนี่ก็ใช้สมาธิสู้กับโรคภัยค่าเจ็บของตนเองนะเวลาถูกให้ยาก็เข้าสมาธิเลยได้ปิตินะ ขนาดร้อนแสบร้อนไปทั้งตัวก็ยังซูได้แล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากแต่ก่อนผมนี่ไม่มีเลยทั้งศีษนะอะนนี้ก็ผมขึ้นมาแล้วก็ผิวปันก็เริ่มเป็นปกติเหมือนคนปกติขึ้นนะก็ใช้สมาธินี่แหละนั่งสมาธิภาวนานะอนะขอถือกระพบอาจารย์ครับ อผมได้ระยะที่ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องออธรรมสัญญาสประการเนี่ยนะฮะแล้วก็มาดูปฏิปทาของคนไข้หรือบุคคลด้วยกันต้องการมรรคผลที่ผ่านนะฮะโปริีบุคคลที่เป็นไข้หรือว่าบุคคลต้องการมรรคผลที่ผ่านเนี่ยจะมีทำอยู่ห้าประการนะฮะเช่นความสวยงามในในกายบ้าง น, า น, านะฮนะนะแล้วก็ อาห า, ปาเป็นพั น, นุลบ้างนะฮะการเกิดเป็นพระสัญญามั่งนะฮะซึ่งมีอยู่ในนี้นฮะแต่ที่ห้าประการเนี่ยถ้าหากว่าผมผมอยากจะแบ่งปันประโยชน์หรือว่าแบ่งปันลักษณะของผมเนี่ยปฏิบัติต่อมิตรสหายหรือว่าอุปสมุปสุการเนี่ยไอ้ที่ตั้งหกนะฮะผมยังอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์นะฮะถ้าต้องการท่าห้าทำห้าประการเนี่ย แต่ระบีการถ้าต้องการความละเอียดเรา อ, อว่ า, าพระพุทธเจ้ามันหมายถึงอะไรนะฮะพระพุทธเจ้าได้แสดงพุทธวจนะอธิบายพุทธวจนะเอาไปแล้วในอนิสสัญญาอนัตตสัญญานะฮะแล้วก็อนาปานาสติกด้วยน ะ, ะแล้วก็สับสรรคเรสุ อ, อนิสสัญญาสัพพโลสัพพโลเกอะนะพิรตะ พิรุเตอสัญญาด้วยนะฮะก็เป็นคำว่าบุคคลที่จยาปฏิบัติเพื่อมรักนิพานเป็นคุณไข่ก็ดีหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ดีที่มีเงินนั่งถึงนักวิธีง่ายๆนะฮ ะ, นะฮะก็สามารถหารายละเอียดนะฮะท่านพุดซ้ำนะฮะเป็นเป็นพุทธวจนะได้ในธรรมสัญญาสิบประการครับขอบพระคุณครับ โยมก็จะบอกว่ารายละเอียดของสัญญาสิบประการจะมีในนี้ในเรื่องธรรมะห้าประการจะมีรายะเอียดอยู่ในเรื่องของสัญญาสิบประกา ร, รเลือกเอาได้เลยครบทุกอย่างน ะ, ะครับครับนี่ลักษณะของคำตอบของพระเจ้าจะมีในการและการเสร็จสมมติโยมอ่านอธรรมะห้าประการสัพพะโลเกนะพิรตาสัญญาแปลว่าอะไรเนา ปุ๊บพ อ, อ่านไปเจอสัญญาเสียการจะไปเจอคํานี้เหมือนกันแล้วพุทธเจ้าจะอธิบายไว้ในสัญญาศสียการ น, นี่เนี่ยนี่ลักษณะของคําพระศาสด า, ศาอ่าสับตรงไหนก็ตามเนะี่ยพุทธเจ้าจะมีการอธิบายคําศัพท์ของพระองค์เองไว้ทั้งหมดเลยนะนี่คือสัพพัญอูรู้ว่าโยไม่เข้าใจศัพท์แล้วก็อธิบายศัพท์ไว้ด้วยนะแล้วสั์แต่ละตัวแต่เทียบเพียงกันยังไงก็จะมีตรัสซ้ําพูดซ้ำซ้ำกันไว้หลายๆที่ เพื่อให้เข้าใจและรู้ความหมายว่าศัพท์นี้เนี่ยมีกี่นื้ยะกี่ความหมายบ้างนะดังนั้นไม่ต้องไปรอไปรอใครอธิบายละเราเองอ่านไปเรื่อยๆอ่านมากอ่านมา ก, ามากเสกครบมากพวกเนี่ยเราเข้าใจไปเองนะพระอาจารขอโอกาสครับเออขอโอกาสพระอาจารย์แสดงอาการดับไปของวิญญาณนะครับพอดีพอเราคิดค่าควรไปเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจะใช่ไหมครับว่า เพราะนาลูกเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนารลูกอย่างเงี้ยครับเหมือนกับมันอิงหรืออาศัยกันอยู่เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้แล้วถ้าเกิดเร า, าขันห้าเราเนี่ยมันประกอบไปแล้วด้วยสองสิ่งนี้ ม, มันจะทาให้เราจะทาให้อย่างใดอย่างหนึ่งดับไปหรือหลุดหรือไม่พิงกันได้ด้วยอาการยังไงครับอาจารย์ก็คือ คือเราพยายามวางในสิ่งที่วิญญาณเข้าไปรับรู้ไงเมื่อมันพิงกันอยู่เนี่ยนะหรือมันอาศัยการเกิดขึ้นอยู่เนี่ยวิญญาณกับนามรูปสีตัวเนี่ยก็คือดับสะตัวหนึ่งดับนามรูปหรือดับวิญญาณกัไน้สักตัวหนึ่งที่เหลือก็จะถูกดับไปด้วยนะก็เหมือนกับที่พระเจ้าบอกว่าแสงส่องมาแล้วในเรือนเนี่ยจะปรากฏที่ไหนบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตก ถ้ายมทำลายฝาเรือนทิ้งล่ ะ, ะแสงที่ฝาเรือนก็จะไม่มีแต่จะปรากฏที่ผื้นดินแล้วก็ผืนน้ <c> ํา <oughs> อย่างนี้หรือผู้เจ้าอุปมาว่าเงาเกิดขึ้นเพราะต้นเสาถ้าเราทําลายต้นเสาให้หมดเงาก็ไม่ปรากฏดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซะอีกสิ่งก็จะถูกดับไปด้วยอย่างนี้นี่คือการ ดับนามลูกวิ ญ, ญญาณก็จะดับดับวิญญาณนามลูกก็จะดับขอบคุณครับพอาจารย์ไปคิดใครควรไปแล้วมันอ่าจินคิดไปไม่ออกจินตนาการไปไม่ถึงนะฮะพระเจ้าเข้าใจครับตรงเนี้ก็ใช้การละนันทิเนี่ยพรเจ้าบอกทละนันทิพุ๊เธอจะเห็นดับทันทีจิตกําลังผูกติดกับอารมณ์นี้อยู่เนี่ยรีบทิ้งวางปุ๊บแล้วรู้ลมหายใจแทนเราจะเห็นเลยอารมณ์นั้นดับไปทันทีขอบคุณครับอาจารย์ ผู้ชมออนไลน์สองร้อยสิบสองจากไทยล่าวี่ปุนเกาหลีใต้ออสเตรเลียอเมริกาแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสสวีเดนจากแบงคอกนะหากเราถือว่าพุทธวัชชคือแผนที่ในการเดินทางฉบับใหญ่ภาพรวมแล้วเราจะละทิ้งคำชั้นสาวกหรือ ดูบาอาจารย์ต่างๆทิ้งไปโดยไม่สนใจนั้นจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะพระตถาคตตัดไว้เองในพระสูตรนี้นะดังนั้นการทิ้งคำสาวกษนี้ไม่ใช่อาตมาบัญญัตินะอาตมาเอาคำพระตถาคตที่ตัดไฟอย่างดีแล้วด้วยการกำหนดสมาธิทุกครั้งมาเปิดเผยให้โยมได้ทราบดังนั้นเวลาโยมพูดคำนี้ขึ้นมาโยมต้องพูดว่าโยมพูดมาจากคำของไกลจากความเห็นตัวเองหรือความเห็นใคร แต่ไม่ใช่ความเห็นศาสดานะเพราะพระศาสดาบอกว่านะเนี่ยสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกองประเภทกับกรองเมย์สสลัดสลวยมีพยัญชนะอนวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยหูฟังก็ตรงๆนะหรือว่าชมว่ามันไม่ถูกต้องยังไง จักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่ถ้ายมบอกใช่ยมต้องกลับไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้านะขอติบายเพิ่มเติมได้ไหมนะซึ่งเราก็รวบรวมมาให้แล้วในแผ่นพับแผ่นนี้นะ เ, เหตุผลทุกอย่างผู้เจ้าก่อนปรลินิพ่านเนี่ยตัดไว้สมบูรณ์แล้วนะหน้าที่เราเนี่ยนะฟังเหตุผลผู้เจ้าให้เข้าใจนะความเป็นสัพพัญญูของท่าน นั้นถ้าสาวกและครูบาอาจารย์ต่างๆใช้คำพระศาสดาไม่มีปัญหานั่นคือถูกต้องนั่นคือคำพระศาสดานะสาวกแปลว่าอะไรผู้ฟังคาสอนแล้วจะมาบัญญัติคำสอนทาอะไรล่ะใช่ไหมไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะไม่ใช่หน้าที่สาวกเขบอกว่าเพราะคำชั้นครูบาอาจารย์นั้นเปรียบเหมือนผู้ที่ออกเดินทางไปก่อนหน้าเราส่วนท่านจะถึงจุดหมาย หรือไม่ก็แล้วแต่แต่และบุคคลแต่ท่านละท่านเหล่านั้นย่อมจะเห็นอะไรอะไรเปลี่ย่อยเพิ่มเติมไปจากแผนที่ใหญ่ๆอ๋อไม่ต้องสัพพัญยูเห็นหมดทุกเรื่องแล้ว <c oughs> ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะสาวกเห็นตรงนี้แล้วสัพพัญยูลืมเห็นไว้เนี่ยนะอ่าไม่มีนี่เข้าใจผิดพระองค์เปรียบเทียบความต่างชั้นกันกับตถาคตกับสาวกเนกี่ยต่างกันยังไงย่อมต้องไปรู้พสุตนีนะ ตถาคตเป็นมรคันูรู้มรก่อนเป็นมัคนมกกนนมขควิทูรู้แจ้งในมรเป็นมัคโกวิทูฉลาดในมรส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมัรคานุขาผู้เดินตามมรเท่านั้นนะแค่เดินตามไม่ต้องมาสร้างแผนที่อะไรนะอืเห็นอะไรแล้วก็ไม่ต้องมาบัญญัติเพราะในเมื่อกําหนดสมาธิไม่ได้ทุกครั้งในการพูดเอาข้อนี้ข้อเดียวก่อนก็ได้ สาวก ค, คนไหนกล้าพูดว่ากำหนดสมาธิทุกครั้งได้ในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวและคำเป็นอาการลิโกภาษาลิบุต ย, ยังไม่เคยกล้าบลือเสียนาาเลยนะแล้วสาวกผู้นั้นเป็นใครนะเพราะนั้นแค่นี้ก็คุณสมบัติไม่พอแล้วนะนั้นอุปมาแต่ละอย่างที่เรายกมานี่เป็นอุปมารเราเองต้องกลับไปดูพระศาสดา เขาก็เลยยกนะว่าเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหมนะ่ในแผนที่ใหญ่ก็จะระบุแต่ว่าถนนสายนั้นสายนี้แล้ว น, นัไม่ใช่เข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าบัญญัติหลวมๆมไม่หลวมลงรละเอียดยิบเลยทุกอย่างทีแรกเราก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาจะไม่รู้อยากจะคิดคร่าวๆอัตมาก็เคยคิดอย่างนั้นว่าพระเจ้าคงพูดนิดๆหน่อยๆแต่โอ้โหลบทุกเรื่องเลยนะลงรายละเอียดยิบแล้วก็เชื่อมสอดรับกันหมด <c oughs> แต่กรมครูบาอาจารย์ที่เดินทางไปก่อนหน้าอาจพบนะนำเราไปสู่อำเภอตำบลใดเลยไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะนั้น <c oughs> ทุกเรื่องทุกอย่างนะพระองค์รู้หมดนี่คื อ, อประมาทความเป็นสัพพัญญูของผู้เจ้าแล้วนะนี่ก็ก็บรรยายไปตามความเห็นเข้าไปเรื่อยๆนะเรื่องแผ่นที่ผู้เดินทาง นะเราผู้เดินทางก็ต้องคอยเทียบเคียงกับแผนที่ใหญ่เองอ๋อนะเวลาหลักมหาประเทศ4ีเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเวลาจะเทียบเคียงเนี่ยเมื่อเทียบเคียงแล้วเนี่ยเข้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเขาจํามาผิดดังนั้นสาวกจํามาผิดเนี่ยมีนะแต่ถ้าสาวกจํามาถูกก็คือจะเข้ากันกับของพระศาสดานะอย่างนีนะ้อยู่ที่ใครจําผิดหรือไม่ผิดแต่ไม่ได้บัญญัติเองนะ สาวกภาสิตาหมายถึงภาสิตคือการบัญญัติขึ้นสาวกภาสิตาคือคําที่สาวกภาสิตขึ้นเองนะแต่สาวกเนี่ยพระเจ้าบอกเธอเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตนะสมมติว่าโยมเป็นทายาทแห่งธรรมะของคนนี้แต่เวลายอมไปเผยแผ่โยมพูดใหม่นี่เรียกว่าเป็นทายาทแห่งธรรมไหมวันไม่ใช่นะเ อ, อเราเป็นทายาทแห่งธรรมะ เขาพูดอย่างไรเราพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างไรเราพูดอย่างนั้นสาวกต้องเยอะต้องแยะในครั้งกุตธการนะพูดเหมือนพระศาสด า, ศ า, ศาปรลิพพาชคคนอื่นบุคคลอื่นๆเนี่ยเคยเจอไหมว่าเขาบอกว่าเขาทึ่งมากเลยว่าสาวกในธรรมวินัยเนี่ยสาวกอสซ า, ศ า, ศากล่าวตรงกันเป๊ะทุกตัวอักษรหมดไม่กล่าวผิดเพี้ยนกันหรือกล่าวขัดแย้งกัน ตัวพระศาสดาเองก็จะบอกเหมือนกันว่าสาวกกับเรากล่าวตรงกันและไม่ใช่สาวกว่ากล่าวตรงต้องการเพราะเกรงใจพู้เจ้าหรือไรเพราะเห็นจริงตามนั้นจริงพูดตรงกันเหมือนกันนะอย่างนี้ดังนั้นทำความเข้าใจกับหลักมหาประเทศสี่ใหม่อีกนิดหนึ่งนะซึ่งพรธเจ้าบอกเลยว่า ถ้าเข้ากันไม่ได้กับคำตถาคตแสดงว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยจํามาผิดดังนั้นภิกษุเนี่ยจำมาทั้งนั้นน่ะไม่ใช่พาสิิ์มาผิดนะเพราะพาสิิ์เองเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าที่ไม่ตรงเพราะว่าจํามาผิดส่วนถ้าคำของใครเข้ากันได้กับคำตถาคตแสดงว่าภิกษุนั้นน่ะจำมาถูกนะให้เธอรับเอาไว้ถ้าจํามาผิดให้เธอละทิ้งคําเหล่านั้นไปเสียอ่าเขาก็ถามว่าตัมามีความผิดอย่างไร ก็กลับไปอ่านพระสูตรนะกลับไปทบทวนในสี่พระสูตรไม่ทราบว่าได้เคยศึกษาสิ่พระสูตรนี้หรือเปล่านะวันหลังอ่านให้น้ำวุ้นตอบแทน <c oughs> <c oughs> จากลองหกนี่คุณแม่ป่วย เมื่อก่อนเคยเรียนพระอาจารย์ว่าคุณแม่เบื่อกายยักษตาสีไม่มั่นใจในคำของตถาคตแต่เมื่อมารักษาตัวผมได้นำด D ว D ดีข้าววันสาวม .3 ปีสาก้าย่างอย่างพุทธอานาปาไปให้แม่ฟังในห้องพักคนเดียวตอนกลางวันมาทำงานสนทนาธรรมกับแม่รู้เลยว่าคำของตถาคตเป็นปะิหารจริงๆสำหรับคนป่วยที่ขาดที่พึ่งทางใจคุณแม่กลับมาดูลมหายใจอีกครั้ง หลังจากที่เลิกล้างการปฏิบัติไปนานศรนะัทธาเข้าใจธรรมะมากขึ้นมีความเชื่อมั่นมากขึ้นกราบขอพระคุณพระอาจารย์สำหรับการที่นำพุทธชนะกลับมาให้สัตว์โลกนะคำถามที่ถามบ่อยไม่ยุบไม่ก่อแล้วดำรงอยู่ของพระหลนรนอาจารย์ว่าต้องแก่คำตัถาคต คำที่ <c oughs> ทีละคำผมมีความสงสัยในสีสังวรการเพื่อนและการบังเกิดขึ้นไม่มีคำถามคือโลกนี้คือนามรูปหรือเปล่าะจะว่าใช่ก็ใช่ก็คือทั้งวิญญาณและนามรูปโลกนี้ก็คือปฏิจจ์ทั้งก้อนเนี่ยคือวิญญาณกับ น, นามรูปทั้งหมดเลยในระหว่างแห่งโลกทั้งสอง นะก็คือโลกไหนๆก็ตามน ะ, ะไม่เกิดในโลกใดๆที่ที่มีพบหรือเป็นพบเนะ่เป็นสถานที่เกิดนะ่ะไม่มีการเกิดในที่นั้นยมไปคิดเรื่องอะไรก็ตามนิดเดียนะการเกิดมีขึ้นแล้วพบเกิดขึ้นนะพระเจ้าตรัสว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดนําริ ถ, ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณย่อมคิดเรื่องอะไรก็ตามหรือจิตไปปักในเรื่องอะไรก็ตามวิญญาณไปตั้งละเมื่อวิ ญ, ญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเห็นนะเป็นอย่างนี้นะพบเกิดแล้วเขาก็เลยบอกเ้าชอบพระสูตรที่มากนะอ่าเหมือนกันอาตมาก็ชอบพระสูตรนี้เหมือนกัน เป็นการอาธิบายการมาการไปของจิตมันมันเห็นจริงตามนั้นเนี่ยนั้นมันเป็นธรรมะที่ยมทุกคนพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าจิตมีการมาการไปตลอดเวลาเลยนะแล้วมาไปเพราะอะไรเพราะความอยากนะทำให้จิตมันน้อมไปนี่ก็พระ5กับอินทรีย์อีกแล้วเนาะลองกลับไปดูในดีวเก่าๆนะพูดหลายรอบแล้วช่วงนี้ จากลาดพลาวทําไมการคิดอะไรทําไมการคิดอะไรได้เร็วจึงเกี่ยวกับความฉลาดอ๋ออันนี้เป็นประเภทของปัญญาผู้เจ้าบอกการละนิวรห้าได้เนี่ยจะทําให้เกิดปัญญาแหล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาไพบูนปัญญางอกงามปัญญาโอประเภทของปัญญาเยอะมากเลยเป็นยี่สบสามสิบแบบ นะอ่เป็นมีไหมเห็นจะถามเจนค่ะนรมาสการน ะ, ะ่ยค่ะพระอาจารย์จะสอบถามว่ า, าปัจจุบันนี้ค่ะคือคนเรามีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตแล้วก็ปัญหาหน้าที่การงานด้วยเราจะมีการดับทุกตรงนี้ได้อย่างไรคะพระอาจารย์คะอ๋ออันนี้ถ้าได้ฟังคำตถาคตนี่สบายมากเลยกลับมานั่งสมาธินะ ผู้เจ้าบอกว่าให้เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานคือทำสมาธิประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาคือเห็นความไม่เที่ยงการเกิดการดับและสี่ให้สุญญาคารวัตงอกงามอยู่วิเวกหลีกเล่นบ้างนะยมทำประมาณสี่เรื่องเนี้ยนะยมปรารถนาอะไรจะสำเร็จหมดแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องในชีวิตคลรวัตก็ินหให้บริบูรณ์ ไม่เหินห่างจากฌานคือการรู้ลมหายใจแม้ชั่วรัดนิ้วมือนะประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาคือการเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปเห็นเกิดดับสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเกิดแล้วอยู่ถาวรนะย่อมมีความทุกข์ขึ้นโยมก็พิจาศเลยเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องดับทุกันเนี้ยมันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะสุดท้ายคือให้สุญญาคละวัตงก็งามเรือนว่าง โคนไม้ท้องถ้ำเชืเงื้มผาป่าชา้าป่าชาัดที่แจ้งลองฟังเรือนว่างที่ว่างจากผู้คนนะก็ใช้เป็นสถานที่วิเวกได้สถานที่วิเวกเนี่ยกเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติจะทําให้เราเข้าสู่ความสงบได้ง่ายนะมันเกื้อกูลแต่ถ้าเราชํานาญแล้วที่ไหนก็ต้องได้นะสงบได้ทุกที่ ทีเรียกว่ากายไม่ออกแต่จิตออกกายไม่ออกคืออยู่กับที่วุ่นวายไม่ได้ออกมาวิเวกหลีกเล้นแต่จิตออกนะจิตละอกุศลได้ละนิวนธาได้นะเป็นอย่างนี้มีเพิ่มเติมไหมท่าอาจารย์ครับ เ, เดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านน้ต่อยนิด ขออนุญาตนะคะนี้สอบถามแทนผู้ชมที่ชมรายการน่ยนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยรายการเนี่ยก็คือดําเนินการแล้วก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆแล้วมักจะมีปัญหาที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตนะคะว่าถ้าเกิดเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ประมาทคะ่ะดำเนินชีวิตอย่างไรไม่ให้ประมาทต้องดูคําว่าประมาทคืออะไร พระองค์ทิ้งคำนี้ไว้หนึ่งคำสำคัญมากก่อนปลญนิพานนะทิ้งคำไว้หนึ่งคำว่าอย่าประมาทประมาทคืออะไรกลับไปดูในพุทธพจนะพระองค์บอกว่าผู้ไม่สํารวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สํารวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทง่ายๆนะสรุปบรรทัดเดียวได้ท่นี้สํารวมอินทรีย์คืออย่างไร ถ้าพิกษุไม่สำรวมระวังคืออินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเข้าไปเกลือกล้วในวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักสุนะเมื่อจิตเกลือกล้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีปัสสิไม่มีเมื่อปัสสติไม่มีจิตก็ไม่ตั้งมั่นนะสมาธิไม่เกิดขึ้นพิษุนั้นย่อมอยู่เป็นทุกขนะ์ทำทั้งหลายเนี่ยจะไม่ปรากฏ เขาจะอยู่เป็นทุกตัวพิสูจน์นั้นชื่อว่าเป็นผู้ถึงซึ่งความประมาทโดยแต่แต่ถ้าเราสำมรวมอินทรีย์แล้วเนี่ยจิตจะไม่เข้าไปเกลือกกลัวในรูปอันเป็นวิสัยจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักสุไม่เข้าไปเกลือกลกลัวกับเสียงนะกลิ่นรสมันจะสำมรวมระวังได้เข้าใจไหมไม่ประมาทนะแล้วทุกอย่างจะดีนะ่ ท่านอาจารย์ครับ อ, อกรณีพระภิกษุที่ทำวัตถุโกตุลมงคลอย่างเงี้ยครับถือว่าท่านได้อริยะหรือเปล่าคําตอบอยู่ในมหาจัตตารีสกังธรรมะปริยาอย่างตอบไว้ชัดมากเลยพระสูตรนี้ออ่าให้ท่านเหล่านั้นกลับไปอ่านพระสูตรนี้ให้ดีชัดเจนที่สุดนะมหาจัตตารีอ่าคีในบาลีก็ได้มหา มหาจัตตารีสกังธรรมปริยายัางถ้ า, าภาษาไทยก็ทำบรรยายชื่อมหาจัตตารีสกนะน่ะ อ, อ, อยู่เล่มไหนครับจำไม่ได้ไม่ได้จำเล่มจาเนื้อหาอย่างเดีย ว, อวขอบคุณครับ <laughs> เล่มไปหาเอง <laughs> อุจจาระไายชัดเลยสัมมาทิฏฐิของพระที่เป็นอริยะมีอนาสวะคือสิ้นอนาสวะเธอจะทำยังไงเวน จากมิจฉาอาชีวะอย่างนี้ความเพียรของเขานั้นจะเพียรเพื่อละมิจฉาอาชีวะเพียรทำสัมมาอาชีวะการยอมมอบตนเพื่อความผิดให้คนอื่นสบายใจเนี่ยแล้วเอาตัวเองไปทําความผิดตรงนั้นนี่ก็โดนอีกเราอยากทํามิจฉาอาชีวะไปปลุกเสกไปทําน้ำมนต์อย่างนี้นั่นะเรากําลังทําความเพียรนั่นนั่นใช่ไหม โยมนั่งเป็นชั่วโมงนั่นนี่ทำน้ำมนตปลุกเสกเนี่ยเพียนมาเพียนนะในหนึ่งชั่วโมงโยมไม่มีสติหรอที่จะละมิจฉาอาชีวะออกไม่มีสติกลั่นกลองหรอแอนิมิจฉาอันนี้สัมมาเอใช่ไม่ใช่ใช่ไหมทิฏฐิของเขาก็จะเข้าสู่มิจฉาทิฏฐินะพระเจ้าตรัสไว้ในธรรมปริยาเนี่ยว่าทำแวดล้อมของเขาเนี่ยสอย่างคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาวายามะมิจฉาสติจะแวดล้อมเขา แต่ถ้าเขาจเจริญสัมมาทำสามอย่างจะแวดล้อมเขาสัมมาทิฏฐินะสัมมาวายามะและก็สัมมาสติเห็นไหมอย่างเนี้ยและใครติเตียนคัดค้านไม่ได้ด้วยทําปริยายอันนี้นะอะผู้เจ้าตัดตอบย้าไว้เลยปกติคํำผู้เจ้าก็คัดง้างือติเตียนไม่ได้อยู่แล้วแล้วปัจจุบันวัดที่จเจริญรอยตามคําพระพุทธเจ้านะครับมี ม, มีเยอะไหมครับไปหาเขาเองที่จะไปรู้ไหมไม่ <laughs> ไม่คือวัดที่แบบ อ่าพิสษุ์ที่ที่ไปจากวัดเนี้ยครับที่ว่าไปเผยแพร่ตามจังหวัดที่ตัวเองอยู่หรืออ ะ, อะไรเนี่ยถ้าพิสษจ์จากวัดนี้จริงๆก็ยังมีไม่มีไม่เยอะ <c oughs> แต่เราเนี่ยเผยแพร่ด้วยการอ่กระจายข้อมูลที่เหมือนกันและทุกคนปรับตัวเองอันนี้จะกว้างที่สุดเร็วที่สุดนะถ้าออกไปจากเราเนี่ยโอ้โหไม่โตหรอกไปทางข้อมูลเนี่ยปุ๊บไปทั่วโลกเลย วัดนี้เปลี่ยนตัวเองวัดนี้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆโยมวัดป่าบ้านพันลำนะนี่ก็ส่งลูกศิษย์มาอีกสี่หลูกพระมาฝึกที่นี่ตัวเจ้าวัดก็เปลี่ยนทั้งวัดน ะ, ะปรับใช้พุทธวจนะทั้งหมดสถานีวิท่านก็เปิดแต่พุทธวจนะเห็นไหมส่งไปประเทศลาวและจังหวัดใกล้เคียงอย่างเงี้ยประธานส่งที่วัดปากคาดเนี่ยนะวัดปากคาดบึงการนะเป็นรองเจ้าหน้าเผือก็เปลี่ยนตัวเองปึ๊บ เคยฉันสมือก็ฉันมือเดียวฉันในบาทเคยรับเงินทองก็หยุดรับใช่ไหมอ่าสอนญาติโยมก็ขึ้นจอเลยนะเอาพระสูตรขึ้นบอกพระสูตรว่า น, นี่ไงเปลี่ยนตัวเองอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอโยมดีกว่าผ้าของเราไปออกไปตั้งสาขาโน้นสาโอโหกว่าจะโต <c oughs> อีกกี่ปีนี่โตพรึบเดียวเปลี่ยนความเห็นผู้นําได้แค่นั้นเองนะนั้นพอผู้นําเปลี่ยนได้เนี่ยวัดดลลนาวัดนารามเปลี่ยนปุ๊บปรับทางวัด เห็นนะมันจะเป็นอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่างนี้ง่ายกว่าใช่มอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราไป <c oughs> ไปคุยกับท่านไปเสนอเนี่ยท่านจะถือว่าเป็นการเราไปสอนท่านหรือเปล่าครับคำพระศาสดาไม่ใช่เอาคำของเราไปสอนนะคำพระศาสดาเนะียเพราะนั้นถ้าท่านไม่รู้คำพระศาสดาก็ต้องเอาให้ท่านได้ทราบเนะี่ยเพราะว่านังสือที่เป็นคำศาสดามันมีน้อยเงยบใช่ไม ท่านก็ขอไปวัดป่าบ้านพันลามเนี่ยขอไปไม่รู้กี่พันเล่มแล้วนะส่งให้ท่านตลอดนะ่ะนะส่งขึ้นรถทัวร์ไปนะเพราะไม่ไม่ไมไมค่อยมคยมีไงใช่ท่านก็เอาไปาให้พระรอบๆแล้วก็ไปจัดคอสปฏิบัติญาตโยมนะตอนนั้นก็มีพวกรองผู้ว่าพวกข้าราชการตามจังหวัดอะไรเนะี่ยมาฝึกปฏิบัติท่านแจกนะอย่างนี้อ่า ให้มีข้อมูลเดียวกันนะฮนะนะเชนพะโลครับกบาบธรรมศาสการครับท่านอาจารย์เอเอคือ <c oughs> คุณพ่อเพิ่งเสียไปไม่นานาแล้วก็ไม่กี่วันนี้ก็เพื่อนกันเนี่ยก็เพิ่งคุยกันเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ อ, อยู่กันนอนแล้วก็แล้วก็หัวใจวายเฉียอวันนี้ผมก็เลยอยากจะได้ธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่อง ความตายการเตรียมตัวตายกับมรสการก็ธรรมะที่เกี่ยวกับกับความตายหรือการเตรียมตัวตายเนี่ยก็มีตัดไว้พอสมควรจริงเราก็เคยรวบรวมพระสูตรไว้นะแต่ยังไม่ได้ทําเป็นเล่มแค่นั้นเองเช่นว่าจะวางจิตก่อนตายอย่างไรเนี่ยพระองค์ตัดไว้กับ ภิกษุอกบอกบอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทากาลละการละคือตายรอคอยการตายให้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายอนุสาสนีคือคำสอนของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเนี่ยหนึ่งบรรทัดสั้นๆเนี่นนยโยมจาไว้ท่องไว้ให้ขึ้นใจเป็นสุดคูณเลยนะท่องให้แม่นเลยก่อนตายปุ๊บมีสติสัมปชัญญะ พระองค์บอกต่อไปว่ามีสติทำอย่างไรผมก็บอกให้เจริญสติปัฏฐานสเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมแต่สติปัฏฐานสีเนี่ยในอีกพระสูตรหนึ่งตถาคตอธิบายด้วยอะไรพระองค์อธิบายด้วยอานาปานสตินั่นคือโยมก็กลับมานอนป่วยก็นอนรู้ลมหายใจเขาออกแค่นั้นเองสติปัฏฐานสี่ครบแล้วนะชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะแล้ว เนี่ยพระสูตรง่ายๆอย่างเนี้ยปลูกศรัทธาลงไปในพระศาสดาเลยรู้ธรร ม, มะเพียงบทเดียวยมหลุดพ้นได้เนี่ยเอาพระสูตรเดียวก่อนก็ได้ออกจากวัดจะได้ลืมได้เอ้ยไม่ใช่จะได้จำได้ <laughs> โลครับ่าอาจารย์มีอีกคําถามหนึ่ง ค, คือผมเคยไปทําบุญที่วัดวัดหนึ่งนะเขียนไวท้ที่ข้างๆศาลาเนี่ยนะหยุดคิดคือหยุดสั่งสารวัตร <c oughs> หยุดคิดคืออะไรนะหยุดสั่งสารวัตรหยุดสั่งสารวัตรหรือคือหรือว่าละสั่งสารวัตอะไรทำนองนี้อ่านะครับอันนี้ก็เป็นคําในพระสูตร ก็ไม่รู้เขาเอาจากพระสูตรไหนแต่พระสูตรที่คล้ายคลึงกันก็คือถ้าบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดําริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณเนี่ยไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีสังสารัตก็จบเนี่ใช่ไหมอ่าอันี้ถ้าบอกหยุดคิดอ่ะแล้วหยุดนึกได้ไหม แล้วหยุดเวทนาหรือเปล่ามันไม่ครอบคุมไะมันมีรูรั่วช่องโหว่ใช่ไหมเพราะวิญญาณขันไม่ได้จับคิดอย่างเดียวเนะี่ยจับนึกด้วยสังขารสัญญาจับเวทนาด้วยจับรูปด้วยอย่างนี้จับต้องสี่ขันเนี่ยแล้วบอกหยุดขันเดียวอย่างนี้ใช่ไหมมันอาจจะมีรูรั่วช่องโหว่ได้นะสแสดงว่าคนเราเนี่ยนะฮะในแต่ละวันนี้ก็ก็ มีภพเกิดนับไม่ถ้วนเนี่ยใช่เป็นล้านเป็นเป็นหมื่นเป็นล้านครั้งต่อวันใช่เพราะเรามองภพเนี่ยแค่รูปธาตุอย่างเดียวไงความเป็นเราเนี่ยมีทั้งห้าธรรมชาติรูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เรามองแค่รูปอย่างเดียวว่าเป็นภพอีกร้อยปีตายเปลี่ยนอัตภาพถึงบอกว่าเปลี่ยนภพไม่ใช่นนี้แค่รูปธาตุ <c oughs> แต่ความเป็นเรามันอยู่ในวิญญาณหรืออยู่ในจิตเนี่ยและจิตเนี่ย หลุดจากรูปเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยโยมนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่นะไปตลอดเลย น, ะนั่นนะพบเกิดตลอดโยมไปคิดไปนึกอะไรเป็นพบหมดใช่ไหมที่ผู้เจ้าตรัสไวนะ้นะั่นะนะอ่านะ แ, แล้วตอนที่จิตจะดับนะฮะตอนตายเนนะีนะ่ยอาจารตอนตายนี่ก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเราจิตมันจะคิดยังไงใช่ดันะงนั้นต้องระวังทุกขณะจิตไงก็มีโอกาสไปคือขึ้นหรือลงก็ได้ใช่ไหมแน่นอน ผู้เจ้าจึงเปรียบผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวเอาท่ามกลางลงบางคราวเอาปลายลงสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผู่ก็เชนั้นเหมือนกันนะบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้นะขึ้นบ้างลงบ้างนะไม่แน่นอนแต่ถ้าเป็นโสดาบันขึ้นไปก็จะแน่นอนแล้วว่าไม่ไปอบายแน่นอน พลแล้วจากระบายทุกติวินิบาดนรก <c oughs> ต้องแต่โสดาบันให้ได้ซึ่งจริงๆโสดาบันมันไม่ได้ยากอะไรเกินไปนะแค่โยมเนี่ยวางใจกับผู้เจ้านะพูด ง, ง่ายงมงายกับผู้เจ้าไปสักชาติอย่างเนี้ยนะที่งมงายอย่างอื่นงมงายได้ของมงายกับผู้นเจ้าสักชาติหนึ่งเออเป็นไงเป็นกันนะอ่าแล้ววางอย่างอื่นพวดเนี่ยโยมเนี่ยโสดาบันไปเลยใช่อ่านะอย่างลงมั่นเลยนะ พอโยมแต่โสดาบาันปุ๊บเนี่ยมันก็ที่เหลือมันจะค่อยๆก้าวไปไงของกาศพระอาชารครับต่อเนื่องครับเกี่ยวกับเรื่องความตายคือก็มีทมปริยายเป็นอันมากที่เราศึกษาแล้วก็จะพระพุทธ<ม>เจ้าจะบอกว่าธรรมชาติทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับถึงแม้มันก็ไม่เป็นไปตามคำต้องการของเราร่างกายสัญญาวเวทนา้าเนี่ยมันต้องดับของมัน ผมก็มาใคร่คว้อยู่แบบเองว่าเอ๊ะเออแล้วอย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างคือความมันก็ต้องดับอยู่แล้วแต่ทีนีแ้แล้วมันแตกต่างยังไงกับคนที่เป็นพระอาหารหันต์คือคือดับ <c oughs> ก็เลยมาเกิดคําเกิดคําตอบในใจว่าอ๋อคือการตายที่เราพูดกันอยู่ว่ามันตายมันตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราคิดไปเล่ น, ลนๆหรือว่าอาจจะไม่ค่อยถูกต้องกับพุทธวจนะนะก็คือว่ามันไม่ได้ตายจริงมันเหมือนถึงว่ามันเราตายไปอย่างเงี้ยแล้วก็เราอาจจะ โศกเศร้ากับญาติมิตรของเราไปแต่ว่าก็ยังไปเกิดเป็นอะไรอยู่เหมือนกับไม่ได้ตายจริงๆแต่คนที่จะตายจริงๆคือคนที่เป็นพาลหารคือคืออันนั้นเหมือนตายจากความตายอันนี้คือตายจริงๆใช่ซึ่งถ้าเราจะเศร้าโศกเสียใจก็น่าจะเศร้าโศกเสียใจกับคนที่เราคนที่ตายจริงๆไปจากเราที่ที่เราไปเศร้าโศกเสียใจควรควรจะดีใจท่านตายจากความตายไม่ได้เจอท่านแล้วไม่ได้เจอท่านแล้ว ก็เลยเมันที่เราว่ามันตายมันทำให้มันตายไม่จริงอใช่ก็เลยเหมือนกับว่าที้เราต้องทํำยังไงเหมือนกับเตรียมตัวตายว่าเราจะต้องตายให้ได้จริงจริงว่ามันจะได้ไม่ต้องมาตายอีกอะไรแบบนี้เขาถูกไหมครับว่าจริงจริงแล้วมันไม่ได้ตายไปมันแค่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยใช่ก็อย่างในปฏิจานะมรณะก็มีความดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอ้าวตายซ้อนตายนั้นเนี่ยอมรณะก็คือตายเห็นไหมคามันมันต้องมีหลายคําอ่ะ มรณะก็มีความดับไปสิ้นไปเอาดับคืออะไรดับคือตายมรณะตายเอาตายซ้อนตายนั้นเนี่ยใช่ไหมอ่าเป็นอย่างนี้ตอนที่คิ ด, ตนนคดแต่ตอนแรกก็เอ๊ะอย่างนี้มันก็เหมือนกับ <c oughs> ถ้ามันดับเองได้อยู่แล้วมันก็ไม่มีการกระทําอะไรซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านกล่าวว่ามีการกระทําใช่ไหมครับมีการปฏิบัติให้ใหใหถึงความสิ้ <c oughs> คือถ้าเราปล่อยให้มันเกิดแก่เจ็บตายเองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ละความอยากไง และจับใจที่ความอยากยังมีอยู่เนี่ยการเกิดใหม่มันก็จะมีนะอขอบคุณาารรรครับอาจารย์อ่าอ่าเพราะาาราาอ่าถ้าตามที่อ่าท่านพูดไว้ว่าผู้ดใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือพยายามเข้าใจสุตันต่ายให้มากแล้ววัน ด้วยจิตแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นใช่เห็นพระพุทธเจ้าเองครับความเห็นนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยจะเห็นด้วยด้วยด้วยการที่เราเห็นธรรมอย่างแท้จริงอเมื่อเราเห็นธรรมที่แท้จริงก็คือเราเห็นพระศาสดางนั้นการไปเห็นพระศาสดาไม่ใช่เห็นเป็นรูปท่านนั่งอยู่อะไรอย่างนี้นะเพราะว่านิพพานไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนเจ้าปุถุชนไปเที่ยวไม่ได้แล้วก็เวลาเราเห็นแล้วเนี่ย เราไม่สามารถที่จะบอกความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามได้เลยเพราะในภาวะของนิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างความยาวความเล็กความใหญ่นะความงามความไม่งามไม่มนะีนั่นเราไม่สามารถบรรยายรูปร่างอะไรของนิพพานได้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าอย่างที่พี่คนนี้พูดว่าผู้ใดเห็นธรรมเนี่ยนะพู้ไดนจริงๆงั้นพวกพุทธเจ้าก็คือความว่างเดียว่าใช่ผู้เจ้าก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งและพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกับผู้เจ้าน่ยคือเข้าถึงแล้วเข้าถึงที่เดียวกันคือสิ่งสิ่งหนึ่งเหมือนกันซึ่งถ้าบอกจะคืออะไรก็ผู้เจ้าบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบเนี่ยคือสิ่งเนี้ยในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ําไฟล ไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามนะนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณในเนี้ยไม่มีนามรูปไม่มีวิญญาณไม่มีสิ่งที่เรารู้จักทั้งหมดในนั้นอย่างเงี้ยนั่นคือพระพุทธเจ้าตรงนั้นก็หมายถึงว่ากําหนดไม่ได้ไไดกําหนดไม่ได้เลยบรรยายไม่ได้แต่ว่าเจะเอาแบบเอาเข้าใจง่ายๆคือว่าเป็นเป็นความว่างหรือเปล่าเป็นความว่างเปล่าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอ่าเพราะว่านิพพานก็ใช้คําว่าสุญญตาก็ได้เนีเป็นความว่างเปล่า แต่ใอน้ความว่างเปล่าเนี่ยมันก็มี ม, มีหลายแบบในในในโลกอย่างอากินจัญญาจตนะก็ว่างนะอย่างที่ว่างอากาศก็เราก็ดูว่างๆแต่มันก็ไม่ว่างจริงแต่นิพพานเนี่ยว่างจริงเพราะว่าถ้าถ้าพิจารณาอยู่แล้วคือกําลังกําลังปัญญาเรายังยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเอาแค่คิดง่ายว่ามองให้เห็นภาพใกล้ๆอะพระอาจารย์ว่าอ๋อก็คือนิพพานคือความว่างใช่ไหมใช่ใช่ความว่าง ว่างจากขันท่ารกระชับลงไปนิดก็ยังได้ครับอืขอบคุณครับ อ, อขอขอปฏิบูชาค่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหนูนึกถึงพระสูตรได้ อ, อย่าเลยวักกะลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นไกลเนวันนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม ภิกษุทั้งหลายแม่ภิกษุจับชายสังคติเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ว่าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชามีการมาราคาก้ามีจิตพยาบาทมีความดมริแห่งใจเป็นไปในทางปทุสลาลมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่เป็นสมาธิแกว่งไปแกว่งมาไม่สมรวมอินทรีแล้วไซภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลจากเรา แม้เราก็อยู่ไกลาจากภิกษุนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมเมื่อไม่เห็นธรรมก็ชื่อว่าไม่เห็นเราภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุจะอยู่ห่างจากเราตั้ง้อยโยต์แต่ว่าเธอนั้นไม่มากไปด้วยอภิชาไม่มีการมราคาก้าไม่มีจิตพยาบาทไม่มีความดมแห่จใจเป็นไปในทางปทุสลายมีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะมีจิตเป็นสมาธิสัมรวมอินทรีย์ถึงความเป็นถึงความเป็นเอกะขะตาสัมรวมอินทรีย์แล้วิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้กับเราแม้เราก็ชื่อว่าอยู่ใกล้กับภิกษุนั้นโดยแท้ข้อนันเพราะเหตุไรเล่าข้อนันเพราะเหตุว่าภิกษุนั้นเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมก็ชื่อว่าเห็นเราแลอืมอนุโมทนาดีมาก ให้ไปหยิพบพบภูมาให้หน่อยสิเชิญประเด็นอื่นได้เลยเดี๋ยวไว้หนังสือพบภูมาจะให้ดูในเรื่องของของพบต่างๆอย่างเนี้ยพอาจารย์คะขอโอกาสคะ่ะ <c oughs> คือเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์พูดถึงให้มางมงายกับพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเนี่ย อันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเลยะให้มาร่วมกันตรงไหคือตอนนี้คือตั้งแต่โยมมาวัดเนี่ยก็คือจะเคยแสดงความคิดเห็นไปครั้งสองครั้งลว่าม า, มาแค่ 4-5 ้าเดือนเนี่ยความศรัท ธ, ธาที่มีต่อตถาคตรหรือพระศัสดาของเราเนี่ยมันหเดือนมันเนเกิดเดยอะมากเพราะว่าพระอาจารย์จะพูดถึงพระพุทธเจ้าตลอดว่าเป็นคำของพุทธเจ้านพะพุทธเจ้าเราเก่งที่สุด ท่านเป็นสัพพัญยูรู้ทุกเรื่องไม่เคยพลาดหรือใครไม่ฟังพ่อแม่ไม่เป็นไรแต่ว่าฟังพระตถาคตรฟังพุทธเจ้ายอมท่านสักองค์หนึ่งได้ไหมจะ <c oughs> ยอมจะทำอะไรไม่ไดีจะยอมจะแบบบางทไีไม่คิดถึงพ่อแม่นะคะบางทีแบบคําสอนของพ่อแม่เราก็อาจจะแบบคือมันเทียบกับพุะเจ้าไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ก็จะเอาคําของพุทธเจ้าอ่ะค่ะมาตื่นสติตัวเองว่า บางทีก็อาจจะสร้างจิตปรุงแต่งขึ้นมาบางทีจะมโหคนคนอื่นนะคะตอบกลับไปเนี่ยก็จะแบบนึกถึงว่าเรามาศึกษาพุทธวจนะแล้วเนี่ยมาศึกษาคําสอนของพุทธเจ้าแล้วไม่มีคือยังไม่มีสติที่จะระงับโทสะความโกรธเนี่ยก็จะปรุงแต่งเลยว่าถ้าพุทธเจ้ายังถ้าท่านยังอยู่เนี่ยคือเหมือนกับเราเนี่ยนะจะโดนตบกะโหลกเหมือนแบบ มันศึกษาแล้วมีปฏิบัติเนี่ยศึกษาไปทำไมท่านคงจะเสียพระทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะแบบปรุงแต่งขึ้นมาคือตอนนี้มันต้องมันต้องอาศัยเป็นเรือแพไปก่อนจริงๆถ้าจะบรรลุเนี่ยมันต้องไม่ไม่มีจิตปรุงแต่งแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังต้องอาศัยการปรุงแต่งเพื่อให้เราเนี่ยละอกุศลวางให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็คือช่วงหลังเนี่ยคือยอมก็เวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าเพื่อนมาปรึกษาอะไรเงี้ยพอพูดถึง อย่างเวลาที่เราตั้งน้ำโมหรือว่าเ อ, อพูดถึงพระ เ, เจ้าเนี่ยก็จะสอนเพื่ออา ไ, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบสวดหรือว่าน้โมนกแก้นกขุนทองก็คือต้องนอบน้อมพระเจ้าเราคิดถึงคุณของท่านที่ท่านเนี่ยได้ทรงตัดตามพระวรกายเนี่ยเหมือนจานิกไปในเมืองต่างๆทั้งๆที่ท่านก็มีฤทธิ์จะเหาะจะไปไหนก็ได้ท่านก็เดินไปราชคฤห์สาวัตถีไปปุ๊บไปนี่เลยก็นึกถึง ความที่เกียดของตัวเองว่าถ้าเกิดเป็นเราเองอ่ะเราคงไม่เหน็ดเหนื่อยเราคงนั่งเสวยวิมุตต์นั่งแบบอยู่กับที่แบบรอให้คนมาถามธรรมะหรืออะไรเงี้ยเหมือนกับพระอาจารย์คริสต์ก็เหมือนกันนะคะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสได้เจอโยมแม่ของพระอาจารย์นะคะเราก็ได้สนทนากับโยมแม่ของท่านนะนะคะคือโยมก็แอกว่าคือมีความรู้สึกว่าพระอาจารย์คริสต์เนี่ย เหมือนยอมตายเพื่อพระธรรมเพราะว่าท่านปฏิทินท่านเนี่ยคือมีกิจมิตรที่ท่านไปสาธยายทำเนี่ยเยอะมากคือเห็นแล้วก็เหนืออ่อยแทนเพราะเวลาพูดถึงพู้เจ้าเนี่ยที่ยมจะแบบตั้งแต่มาวัดเนี่ยจะปิติคือน้ําตาจะปลิ่มแบบ ท, ท, ทั้งท่นที่เป็นคนแบบเป็นคนค่อนข้างเยเข้มแข็งอะที่บ้านก็จะเล่เยโหดเล่โห ด, โหดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอระลึกถึงพระคุณของท่านที่แบบยิ่งแบบคิดถึงคาพูดหรือ ที่เราเคยได้ยินได้ฟังคือเมื่อก่อนก็เรียนกับอาจารย์ที่มอจารอนะคะเรียนมาสองสามคือเกือบสมปีก็ไม่เคยปติเท่ากับมาที่วัดเนี่ยแค่สี่ห้าเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยน้องครั้งแรกโขาถามว่าทำ ไ, ไมพี่ลองให้ถึงพระเจ้าอ้ายจังอะไรอย่างเงี้ยบอกก็ลองมาวัดนี้ดิสักสี่ห้าเดือนมาทุกอาทิตย์เดี๋ยวก็เป็นเหมือนพี่อ่ะเดี๋ยวก็ถูกล้างสมองเหมือนพี่เพราะคนคริสตเนี่ยเขายังไปบสถ์ทุกวันอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเหมือนพี่กับพระน้องชายพี่แหละนี่กระน้าตาแตก หองน้ำตาตื้นนึกถึงพระคุณของท่านที่ถ้าไม่มีท่านเนี่ยที่มาตัดสรู้ในสิ่งอริยสัจสี่แล้วก็ให้เราได้ศึกษาธรรมและท่านเป็นปัจเจกพุทธเจ้าแล้วท่านไม่มาเผยแผ่ธรรมเนี่ยตอนนี้เราก็คงชีวิตเคว้งคว้างไม่มีหลักยึดอะไรนะคะว่าชีวิตทุกคนเนี่ยก็เดินทางไปไปสู่ความแก่เจ็บตายด้วยทุกคนมันก็เหมือนกับเกิดมาแล้วก็เพื่อเพื่อตายเหมือนโมฆะชีวิตเนี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ก็คืออยากจะให้มาชวนกันมางมงายกับผู้ทเจ้าสักาสชาติชาติหนึ่งอะคะ่ะรับรองว่าดีแน่นอ น, นะคะ่ะขอบขอบขอบคุณคะ่ะ <c oughs> อาจารย์คะขอโอกาสค่ะข่าหน้าค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะอันนี้อาจจะขอขอกาลังใจแล้วก็ขอขอคาแนะนำนะค ะ, ะตั้งแต่มา ที่นี่นะคะเหมือนกับท่านอีกท่านนึงพูดก็คือประมาณปีหนึ่งนะคะที uh ่ huh. น, นี้นยพยายามฝึกกายคตาสติพร้อมกับละนันทินะคะ uh huh. สองอย่าง uh huh. พร้อมกับอ่านและฟังนะค ะ, ะซีดีนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยพอเข้าไปอยู่ในโลกมนุษย์จริงๆ uh huh. โทษค่ะไม่ถึงเข้าไปอยู่ในชีวิตประจาวันจริงๆ uh huh. มีเรื่องของ ปีใหม่จะมีเรื่องของปาร์ตี้ของ uh huh. บริษัทรืออะไรก็แล้วแต uh huh. ่ตัวเองมีความรู้สึกว่า <c oughs> ตัวเองเหมือนขวางโลกหรือเปล่า uh huh. พอเห็น uh huh. เห็นอะไรเยอะแยะเห็นปาร์ตี้เห็นคนเมาเห็นการเต้นเห็นรู้สึกว่าพยายามหาความสมดุลให้กับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้นะคะ่ะ uh huh. อันนี้รู้สึกทุกทุกครั้งนะคะมีความทุกข์ก็พยายามจะละนะคะแล้วปฏิบัติ แต่ก็ยังยังยังรู้สึกว่ามันแย่เหลือเกินเพราะว่าเราจะรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราโกรธละเราไม่พอใจอีกและแล้วเราก็ละแล้วเราก็โกรธมันทำให้ในแต่ละวันเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าเคยได้ฟังเสียงพระอาจารย์นะค ะ, ะพระอาจารย์เคยบอกว่าเพราะว่าเราเรามีสติมากขึ้นน ะ, นะคะทาให้เรารับทราบเร็วขึ้นในใเรื่องของการโกรธหรือการรู้สึกสุขทุกเวทนาต่างๆ อยากขอคำแนะนำพระอาจารย์ ใ, <ช>ให้เราจะปฏิบัติได้มากขึ้นถ้าเราทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติได้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วก่อนเราปฏิบัตินะเราก็โรกปลดหลงอย่างเนี้ยเยอะแต่สังเกตไม่ทันเราก็เลยนะึกว่าเราไม่ค่อยมีนะแต่จริงๆมีบานเลยนะอนะ แล้วพอมาสังเกตจิตตัวเองมาจเจริญอนาปทาทำสมาธิจิตเริ่มละเอียดขึ้นสังเกตได้ดี่ขึ้นโอ้โหทีนี้นึกว่าตัวเองแย่มากนะเพราะมันเริ่มเจอเยอะไงกุศลอกุศลอะไรเต็ไมไปหมดเลยจิตเกิดดับวุ่นวายไปหมดเนี่ยอแล้วที่สุดอความสมดุลจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวจะเกิดขึ้นเอง <c oughs> โดยโดยการ <c oughs> เห็นธรรมใช่โดยโดยจิตเราจะเห็นธรรมขึ้นมาแล้วเราก็อ่า จะเป็นไปตามอัตโนมัติคแค่เราเอาจิตอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักเนี่ยที่ผู้เจ้าตรัสไว้ว่าให้ใช้กายเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักจิตอยู่กับกายพอนะแล้วเราก็จะเห็นความจริงว่าจิตเ ป, เปลี่ยนเปลี่ยนไม่อยู่กับที่สิ่งได้เปลี่ยนแสดงว่าสิ่งนั้นมีการดับหายไปเดี๋ยวเกิดขึ้นใหม่สิ่งใดมีการเกิดได้ดับได้แสดงว่าตัวตนมันมีขึ้นชั่วคราวแป๊บเดียวไม่ได้มีถาวร น, นั่นคืออนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะขนาดที่มันเกิดและตายหายไปเราไม่ได้หายไปกับมันเวลาโยมีความสุขเกิดมาแล้วความสุขหายไปเราตายไปกับความสุขไหมไม่ได้ตายไปด้วยเราก็เห็นความสุขดับไปดังนั้นพระองค์ให้เราสังเกตว่าเนี่ยถ้าเราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเนี่ยเราจะเกิดปัญญาว่ามันกับเราเนี่ยคนละตัวกัน ตอนนี้อยากให้กำลังใจกับทุกทท่านเ <c oughs> ช่นกันคะ่ะว่า <c oughs> ขณะที่ปฏิบัติมาถึงแม้จะน้อยนิดนะคะแต่ว่าทราบแค่ว่าเอาแค่ในครอบครัวของเรานะคะซึ่งปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอยู่แล้วแต่ก็มีความร้อนความอะไรเกิดขึ้นตลอดแต่ว่าพอหลังจากที่ปฏิบัติมาเรื่อยๆ เ, เรารู้สึกว่าไม่รู้เราเป็นแกนหรือเปล่าหรือ ย, อยังไงที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ใจร้อนก็จะเบาลงแล้วทุกอย่างเราจะรู้สึกถึงความเย็นในบ้าน ความเย็นแล้วก็ความสงบที่มีเข้ามามากขึ้นค่ะก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านเช่นกันค่ะใช่ๆช่จะเป็นอย่างนี้ในองค์กรก็เหมือนกัน <c oughs> คุบนะุต่ายังอยู่ไหมล่ะเนี่ยเพราะว่าประธานคูบุต้าคนก่อนนะก็ได้บอกอตาตมาอนะ่นว่า เ, เขาจะรู้สึกอย่างนี้เลยหลังจากที่ ปลูกฝังธรรมะให้กับพนักงานนะด้วยพุทธวจนะมาตลอดห้าหกปี7ปีอย่างนี้นะเขาจะเห็นความแตกต่างของพนักงานในบริษัทองค์กรนะที่ไม่มีธรรมะกับมีธรรมะต่างกันมากนะแล้วเขาก็พยายามจะแนะนำเพื่อนบริษัทแล้วก็โรงงานอื่นๆเนี่ยให้เอาธรรมะไปให้กับพนักงานซึ่งมันจะ ทำให้ทั้งโรงงานเนี่ยมันมีความสงบอย่างที่โยมว่ามันมีความสงบสุขในบ้านมีความสงบสุขในโรงงานพนักงานกับผู้บริหารคุยกันง่ายขึ้นนะคุยกันด้วยความเป็นมิตรนะเหมือนกับพระเจ้าบอกเนี่ยจะมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุลน้ํานมกับน้ำนะมันจะเกิดความสามัคคีการปลองดองกันขึ้นการให้อภยัยการความเมตตามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างนี้ และประสิทธิภาพการทำงานของคนก็จะสูงขึ้นโดยปริยายเลยนะนั้น <c oughs> ความก้าวหน้าของบริษัทก็จะโตขึ้นโตขึ้ น, โ ต, นโตขึ้นตลอดนะโดยไม่ต้องพึ่งอะไรพึ่งธรรมะนี่แหละประหยัดที่สุดเลยนะและดีที่สุดด้ว <c> ย <oughs> ในเว็บต่อสักนิดหนึ่งจากเพชรบูรณ์มีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนน้องน้ําบุญตอนเจ็ดขวบเลยนะจากพร ะ, พระสูติที่ต้องเมื่อพันเสาคลายพระสูติภายะนะเป็นอาการของจิตตัดสายปฏิจจใช้เสาเขื่อนเสาหลักคือลหมหายใจวางจิตอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ ถ้าใครชมเราเกินพอดีก็บอกเราไม่ได้เป็นขนาดนั้นเราเป็นแค่นี้จิตดูเบกขาปฏิบัติถูกหรือเปล่านะก็ถูกแล้วนะฝึกไปเรื่อยๆก็จะได้บรรลุตามคนนิพานหรือเปล่าได้แน่นอนนะเดินตามมักของพระศาสดา <c oughs> ที่บอกว่าการอุทิศบุญต้องล้านิวรณ์หแล้วต้องละอย่างไรเช่นต่อเนื่อง หนึ่งวันสามวันเจ็ดวันหรือเป็นเดือนเป็นปีณขณะจิตนั้นในสมัยนั้นถ้าเราละนิวรณห้าได้จิตตอนตอนนั้นก็เป็นจิตที่มีกำลังนะจากนนทบุรีได้ศึกษาพุทธศาสนาเมื่อต้นปี2555เข้าใจพอประมาณสามารถตรวจได้ด้วยตนเองเมื่อเห็นท่านอื่นมีคำถามหลายแงยม่มุม ซึ่งดีครับทำให้ผมเข้าใจไปพร้อมกันแต่โดยส่วนตัวพอคิดจะถามก็ไม่รู้จะถามในประเด็นอะไร <c oughs> เพราะเท่าที่ได้บทเรียนมาคือให้มีสติอยู่กับลมและเห็นจิตเกิดดับเท่า น, นี้ก็มีงานให้ทำได้ทั้งวันใช่งานเพียบเลยแค่เนี้ยนะ นั่งนอนยินเดินนะรู้สึกเวลาเล่มเหลือดน้อ ย, ก ล, ยกลายนี้จะอยู่มาครบห้าสิบปีในวันที่สิบสองกุมภาสองห้าห้าโออายุใกล้กันเลยเนาะก็เลยนถามว่าการที่เราต้องจำบาลีไม่ค่อยได้จำเป็นภาษาไทยง่ายกว่ามีนิสสงให้ได้ว่าผลผานิพพานแตกต่างกันหรือไม่ก็ไม่แตกต่างนะ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจบทพันธนะที่บัญญัติอย่างจำแจ้งว่ามีความหมายกี่ในใช่คือเข้าใจโดยอัถฐะ <c oughs> แต่โดยบทพันธนะอาจจะจำไม่ได้แม่นก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าจำแม่นก็เป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัตธรรมนะ เ, เวลามีข้อสงสัยก็มันจะมาสาวที่ตัวบทพันธนะได้นะ <c oughs> สงสัยที่มาบทธรรมวัตรเช้าเย็นนะส่วนใหญ่หนังสือธรรมวัตรเช้าเย็นส่วนใหญ่จะเป็นบทที่แต่งขึ้นเป็นแบบลูกผสมอะ่ะเอาบทผู้เจ้ามาแล้วก็ปะหัวต่อท้ายนะก็เคยใช้มานานลนะ <c oughs> <c oughs> จากสุลาชก่อนผู้ถามศึกษาพุทธศาสนะเคยได้รับการแนะนำให้สวดมนต์ในแบบภาษาญี่ปุ่นมาสี่หปีอ่อ ต่อมาก็เริ่มเข้าใจเพราะสิบประสูติอันเป็นเหตุผลรองรับกันและศึกษาพุทธศานะเรื่อยๆนะตอนนี้มีความสุขดียังไม่มีคำถาม <laughs> <laughs> <laughs> จากอังกฤษ <laughs> <laughs> กลวาวนามสการพระอาจารย์สมณนศะักยตปุตติยะและผู้จเจริญในธรรมทุกท่าน ได้เห็นห่างการติดตามข้ามวันเสาร์ไปหลายทิ์เพราะอินเทอร์เน็ตขัดข้องแต่โยมก็ไม่เคยเห็นห่างจากฌานโอ้โหนี <laughs> ่สำเนวนพระาศาสดาเนี่ธรรมดา <laughs> อืมหลายวันก่อนอยู่ที่ <c oughs> มีท่านหนึ่งที่อังกฤษโทรมาหาโยามนะอยู่ที่คอนวอลนะ บอกว่าติดตามข้ามวันเสาร์มาระยะหนึ่งและได้ฟังเทปข้ามวันเสาร์ที่โยมได้บอกเบอร์เธอเบอร์เบอร์โทรของโยมให้กับทางวัดหากผู้ใดต้องการหนังสือซีดีบรรยายพุทธศาสนาให้ติดต่อมาจะจัดส่งให้เขาเลยโทรมาต้องการหนังสือซีดีวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้จัดส่งให้เรียบร้อยเขาตอบกลับมาว่าได้รับกล่องแล้ว <c oughs> จึงกราบขอบคุณสื่อวัฒนประพงค์ไว้หน้าที่นี้ด้วยครับ ตอนนี้หาผู้ใดอยู่ที่องังกฤษ ต, ต้องการศึกษาและปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่ต้องการหนังสือหรือซีดียังมีพอที่จะจัดส่งให้ถึงบ้านฟรีครับวงเล็กมีจำนวนจำกัดจากจันทบุรีขอแสดงความคิดเห็ น, น ى, จากพระสูตรพระศาสดาปรากฏเปรียบเห็นแสงอาทิตย์ที่ปรากฏแสงหิงห้อยจะดับไปพระธรรมของพระศาสดาเลกมา ปรากฏในยุคไอทีโดยพระอาจารย์ทําให้แผ่ไปสารไปทั่วโลกได้รวดเร็วเห็นจากญาติธรรมที่มาพบพระอาจารย์จากหลายประเทศหลายครั้งที่ดูทางเน็ตหนูเชื่อว่าพระธรรมของพระศาสดาจะแผ่ไปสารไปทั่วโลกอีกครั้งโดยพระอาจารย์หนูเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจะศึกษาธรรมของพระศาสดา จ, จนกว่าจะสิ้นชีวิตและมีพระอาจารย์เป็นผู้ช่วยให้รู้อริลสัตนะครับน้มักการด้วยความเคารอย่างสูงนะก็ นับเป็นโชคดีของยุคนี้แต่ก็อย่างที่บอกกันนะในสารามีชาวต่างประเทศเยอะนะคนมาจากประเทศนั้นประเทศนี้คนไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆนะก็ก็ทำให้ทราบว่าผลจากการที่ส่งข้อมูลไปทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็ได้รับ <c oughs> การต อ, ตอบรับมา ทำให้หลายๆคนมีศรัทธาในพระศาสดาอย่าง <c oughs> อาวุโสณรงชัยที่พระที่อยู่สวีเดนเนี่ยก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายนะเห็นตำรวจถือปืนแล้วอยากจะหยิบเอาปืนมายิงตัวนะก็สเปสะปะไปเรื่อยก็ไปเสดจหาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้มาเจอพุทธศาสนาก็เลยได้พลิกชีวิต แล้วก็ตั้งใจจะศึกษาแล้วก็ปฏิบัติและเผยแร่คำของตถาคตต่อไปนะ <c oughs> ท่านก็ยังทำตนเป็นสัตตบุรุษยิ่งกว่าสัตตบุรุษก็คือไปแนะนำพระลูปอื่นในสวีเดนต่อไปนะจนได้พันเตเอกพลมาเป็นนะาสาธรรมิกนะอีกท่านหนึ่งที่ช่วย <c oughs> เผยแผ่พุทธวิชนะที่วัดดอลลารนาวัณนาลา ม, ม <c oughs> ก็บา ร, รมีพระศ า, ศาสดาของเราคงจะนะขยายไปได้เรื่อยๆ อ, อ, อาจารย์ครับเจน พระพุทธเจ้าสอนเรื่องความรักว่ายังไงครับเป็นฉันทะราคาเลยไหครับหรือว่ามีบาลีเป็นคำแปลแล้วไ่มครับความรักระหว่างหญิงชายอย่างเงี้ยครับความรักก็จะมีะหลายแง่มุมเหมือนกันนะก็คือทุกใดในโลกเนี่ยทุกเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ความรักความพอใจเนี่ย เป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเลยเพราะว่าสิ่งที่เราลักที่เราพอใจเนี่ยมันไม่อยู่คงที่ไงถ้ายมลักสิ่งสิ่งเนี้ยแล้วสิ่งสิ่งนี้มันอยู่คงที่ตลอดนะไม่เปลี่ยนแปลงนะมันก็คงจะได้หรอกแต่สิ่งที่เราพอใจเนี่ยมันเปลี่ยนไงเปลี่ยนเปลี่ยนความทุกข์จะเกิดขึ้นมานะเพราะการแปลปูนของรูปการแปลปูนของเวทนาสัญญาสังขารความแปลปูนของวิญ ญ, ญาณนะ ความทุกข์จะเกิดขึ้นอันนี้คือผลเสียจากความรักหรือจันทะความปอใจนะอีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความรักสี่แบบรักเกิดจากรักนะเกลียดเกิดจากรักรักเกิดจากเกลียดแล้วก็เกลียดเกิดจากเกลียดนี่คือความรักสี่แบบที่มีอยู่ในทุกคนในโลกเลย และจะละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้ายัางไม่ถึงพระอรหันต์หรือไม่ได้เข้าชานหนึ่งสอามสี่ไออารมณ์4ี่อย่างนี้จะเกิดตลอด <c oughs> อย่างถ้าเราลักคนใดเป็นพื้นฐานอ้ยมพอใจคนคนนี้มีคนบุคคลที่สมมาประพฤติปฏิบัติต่อคนนี้ด้วยข้อประพฤติปฏิบัติที่ น่าพอใจน่ารักไร่คนนี้จะพอใจคนนี้ขึ้นมาทันทีนี่เรียกว่ารักเกิดจากรักแต่ถ้ายมรักคนนี้แล้วคนนี้มาประพฤติอะไรที่ไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาต่อคนนี้โยมจะเกลียดคนนี้ขึ้นมาทันทีเพราะฉันรักคนนี้มาประพฤติไม่ดีกับคนนี้นะอ่านี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักแต่ถ้าโยมเกลียดคนนี้เป็นพื้นฐานถ้าคนนี้มาทําอะไรที่ไม่ดีไม่น่าพอใจกับคนนี้ โยมจะรักคนนี้พอใจดีจัดการมันเลยเอามันหนักหนักหน่อยแต่ถ้าไปทาดีนะปฏิบัติดีกับคนคนนี้ที่โยมเกลียดโยมก็จะเกลียดคนคนนี้เรียกว่าเกลียดเกิดจากเกลียดน ะ, ะคนในโลกมันจะมีอารมณ์เหล่านี้ดังนั้นเราจึงต้องต้องละอกุศลอยู่เรื่อยๆไงนะและอันนี้เป็นเหตุของการทะเลาะเบาแวงเราพอใจไม่พอใจอะไรก็ตาม ซึ่งมันจะยงไปสู่พระสู่ที่จอมเทพถามผู้เจ้าว่าทําไมคนมันต้องทะเลาะ ก, กันมันทะเลาะ ก, กันก็เพราะว่ามีความอิจฉาและความตระหนี่และความอิจฉาและความตระหนี่เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็จะมาโยงตรงนี้รักกับไม่รักรักกับเกลียดนะพอมีรักกับเกลียดปุ๊บจะมีอิจฉาและตระหนี่ขึ้นมาทันทีพอมีอิจฉามีตระหนี่จะเกิดการทะเลาะเบาแวง ของสัตว์โลกซึ่งไม่ใช่แต่มนุษย์เทวดาก็ทะเลาะ ก, กันยักษ์หน้าคนทันอาศูนทรทะเลาะ ก, กันหมดทั่วโลกทานเป็นอย่างนี้อันั้นก็พยายามวางจิตให้อยู่กับอุเบกขาวางจิตอยู่กับกายนะการทะเลาะเบาแ้งจะหมดไปนะฮะ มีพระสูตรหนึ่งที่บอกว่าสาเหตุของความรักเกิดจากความตกลงใจที่ตัดไว้กับพระอานนท์นะครับถ้าไม่มีความตกลงใจก็ความรักจะเกิดขึ้นไม่ได้คําว่าความตกลงใจนี่ยครับหมายหมายความว่ายังไงครับพระอาจารย์ <c oughs> ตัวปรองจรักหรือปรองจรัจกนะใช่ครับคือการตกลงใจก็คือมาจากอะไรการปรองจรักเมื่อมีการได้จึงมีการปรองจรัก การได้มาจากอะไรมาจากการสแสวงหาการสแสวงหามาจากอะไรมาจากคนนั้นมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหาเมื่อมีการสแสวงหาจึงมีการได้เมื่อได้จึงปร่งใจรักเนี่ยมันไล่ตามลําดับก็ต้องสาวสายปฏิจจขึ้นไปอ๋อก็อคือไม่ได้ไม่ได้จบแค่ตรงปร่งใจรักต้องไล่ขึ้นไปถึงตัณหา ก, ก่อนนะครับใช่แสดว่าทุกตัวเนี่ยไม่ว่าอารมณ์อะไก็ตามเกิดจากตัณหาเป็นเหตุทั้งหมดใช่มันมีเหตุของมันหมดใช่ครับดังนั้นที่ ก่อนที่ช่วงต้นพูดเรื่องนิพพานนะครับพระอาจารย์นั่นคือแสดงว่าความดับในตัณหาก็จะสามารถละทั้งราคะโทสะโมหะละสามตัวนี้ได้เนี่ยถือว่านิพพานได้หรือยังครับอาจรย์ใช่ใละได้หมดเลยละได้สามตัวถือว่านิพพานแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับออขอบคุณครับพระอาจารย์เนี่ยหนังสือพภูมิข้อมูลล่าสุดน่าจะ ออกได้ก่อนปีใหม่นะนันแล้วก็มีกายที่ที่สีเอ็ดทั่วประเทศกำลังจะเร่งให้เสร็จนะก็ในนี้จะเป็นพุทธวจนลรวนทั้งหมด500กว่าหน้าห้าร้อี่หน้าเราจะได้ทราบพบภูมิแท้จริงๆว่าพระศาสดาสอนไว้อย่างไรเปรตวิสัย ลักษณะยังไงนะที่เราว่ารูปกายสูงสูงใหญ่ๆนะมีอย่างนั้นจริงไหมนะพระองค์บอกว่าเป็นชิ้นเนื้อลอยไปในอากาศเป็นโครงกระดูกลอยไปในอากาศนะลักษณะของเปรตพระองค์จัดไว้หลากหลายแบบพอสมควรนะเราก็จะได้ทราบ <c oughs> ทำไมคนต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานทำกรรมอะไร เอกสารมีกี่แบบพวกนาคมีไหม ม, มีหลากหลาย การทำกรรม อ, อะไรเป็นเหตุให้ได้ไปสู่เทวโลกอย่างในหน้าปกเนี่ยก็จะดึงมาจากพระสูตรนะพวกเป็นเทวดาเนี่ยเหมือนนั่งอยู่ในปราสาทการเป็นมนุษย์เนี่ยเปลียบเหมือนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนาเป็นเปลด น, นี่เหมือนนั่งใต้ต้นไม้ที่ ไม่ไม่มีใบนี่พวกโยมนั่งอยู่ใต้ลมไม้ใบดอกตานได้มไมแล้วก็เออเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงบุรุตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี่พวกสัตว์นรกและผู้เจ้ายกมาบอกความทุกข์ที่เราได้รับเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ย อย่างแม้ว่าถูกแทงด้วยห อ, อกสามร้อนยะเล่มเช้าร้อยกลางวันร้อยเย็นร้อยตลอดทั้งหนึ่งรอยปีความทุกข์ขนาดเนีนะ้ถ้าเทียบกับนนรกแล้วเทียบไม่ได้เลยพรนะองค์ก็หยิบก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งขนาดฝ่ามือเนี่ยแล้วบอกว่าเทียบกับภูเขาหินนี่สิอันไหนใหญ่กว่ากันนั่นนะความทุกข์ในนระกขนาดภูเขาหินให้ความทุกข์ที่ได้รับในมนุษย์เนี่ยนิดเดียวเองนะ เพราะองค์จริงไม่อยากให้พวกเราเนี่ยตกไปสู่ อ, อบายองค์จึงบอกพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำนะอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกในเ ด, ดชานอเปรทวิสัยนะและจองจำกันยาวนานมากนะ <c oughs> <c oughs> การที่สมณะเข้าบ้านการลุกลับ นะกลาบว่าให้สนะลุ้นมีผลหมดเลยเทวดาแต่ละพวกรอเข้ามาบอกกรรมของตนเองกับพระศาสดาพวกเขาในสมัยก่อนนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสมณะเข้าบ้านแล้วก็ลุกลับแต่ไม่กลาบไหว้แล้วก็ไม่ให้ศนะก็มาเกิดในเทวดาแต่เป็นเทวดาชั้นเลวเนะทวดาผู้หนึ่งมาบอกว่ า, าพระองค์เกิดเป็นมนุษย์ในคราวก่อน สมณะเข้าบ้านแล้วลุกลับและกราบไหว้แต่ไม่ให้อาศนะนะก็เกิดเป็นหมู่เทวดาชั้นเลวเหมือนกันอีกพวกหนึ่งเทวดาพวกก็มาบอกเข้าลุกลับเขากลับไหว้เขาให้อาสนะแต่ไม่แบ่งปันของให้ตามสามารถตามกําลังนะอีกพวกหนึ่งเข้ามาบอกแบ่งปันของตามสามารถแต่ไม่เข้าไปฟังธรรมอีกพวกหนึ่งบอกมาฟังธรรมอยู่แต่ไม่เงียสวดลงนะอ่าบางพวกเข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่ฟังบางพวกเข้าไปนั่งใกล้ฟังอยู่แต่ ไม่จำบางพวกจำแต่ไม่เอาไปไข้ควรบางพวกใข้ควรแต่ไม่เอาไปประพฤติปฏิบัติก็เข้าถึงหมู่เทวดาชั้นเลวเกิดตั้งพวกที่นำเอาไปประพฤติปฏิบัติไงถึงจะเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นปรานีแสดงว่าในทุกขั้นตอนมันเป็นความละเอียดของจิตหมดแต่ก็มุมหนึ่งที่น่าจะดีก็คือแม้แต่การแค่ลุกลับก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดา นะซึ่งจะสอดคล้องกันในพระสูตรที่พูะเจ้าบอกว่าการลุกลับกลับว่าให้อัสนะเนี่ยเป็นไปเพื่อการเกิดในตะกูลสูงนะการมีจิตเลื่อมาสเนี่ยเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรนะค์ละขอโอกาสครับอขออนอยากใครควรทำครับกลัวว่าจะไปเกิดเป็นเทวดา <c oughs> ที่ ชันเ็วครับชัเลวเมื่อกี้คุยกันเรื่องของปฏิจจะกับ เ, เตรียมตัวตายครับการสร้างภพในปัจจุบันที่เรายังไม่ตายจริงเนี่ยจิตก็สร้างภพอยู่แล้วจ้ะเมื่อเวลาที่เราผัสสะอะไรก็เจออะไรก็สร้างภพอยู่แล้วใช่งั้นการที่ถ้าเราตายแล้วเปลี่ยนภพจริงๆก็เป็นเป็นการสร้างภพอีกอสองอันนี้เหมือนกันไครับเหมือนกันเพียงแต่รูปนามคนละส่วนแค่นั้นเอง ตัวเปลนภพที่รูก ป, ประธาตายเนี่ยเป็นการเปลี่ยนในส่วนของรูกประธาแต่ตัวนามอีกสามอันเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเล ย, ยรูปแตกมันก็เปลี่ยนรูปไม่แตกมันก็เปลี่ยนเกิดดับตลอดอยู่แล้วอพรานั้นความจริงเราก็สร้างการเกิดอยู่แล้วทุกๆวินาทีใช่ต้องการที่จะเปลี่ยนภพชาติจริงๆตอนที่กายเดิมแตกทำลายก็เป็นการสร้างการเกิดซึ่งธรรมดาเหมือนกันใช่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนธาตุขันเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนดินธาตุดินน้ําไฟลมใช่ไปอีก สัตวนะัหนึ่งเท่านั้นเองใช่ทีนี้ถ้าใครควรต่อว่าถ้าเกิดเราตายไปจริงๆแล้วก็ไปเกิดในภพใหม่แสดงว่าสิ่งภพใหม่นะันมันรอเราอยู่แล้วนะเราสร้างประิเราสร้างสายประจิตจะไว้รอแล้วเราสร้างตัวภพนั้นไว้รอแล้วเราสร้างพ่อแม่ที่อยู่ในภพใหม่นั้นไว้รอแล้ว งั้นณปัจจุ บ, บันเนี่ยสิ่งที่เราทําเราคิดเราทําอยู่เป็นการสร้างภพใหม่ที่เราจะไปเกิดหลังจากการตายไว้รออยู่แล้วถูกไหมใช่ก็คือทั้งหมดที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อข้างหน้านะถ้าสร้างกรรมดําก็วิบากดํารอข้างหน้าถ้าสร้างกรรมขาวก็วิบากดำดำขาวถ้าสร้างกรรมทั้งดําทั้งขาวก็วิบากทั้ง ด, ำดำําทั้งขาวคือพวกมนุษย์นะถ้าสร้างกรรมไม่ดําไม่ขาววิบากก็คือไม่ดําไม่ขาวก็คือนิพพาน ถ้าเราตายนะปัจจุบันนี้ไปเกิดในต่างประเทศไปเกิดในภพภูมิอื่นหรือไปเกิดในพ่อแม่คนอื่นครอบครอื่นนั่นก็คือสิ่งที่เรากําลังสร้างอยู่ณนะปัจจุบันใช่ใช่งั้นกรรมทุกทุกกรรมหรือทุกภาษะทุก เ, เวลาที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้ยเรากําลังสร้างอีกภพภูมิหนึ่งไว้รอที่เราจะไปตรงนั้นเราอาจจะ ปฏิสัมพันธ์อยู่กับพ่อแม่พี่น้องเราในชาติหน้าอยู่แล้วตอนทุกวันนี้ก็ได้นะฮะนะฮะและทุกคนเนี่ยแทบจะเป็นพี่น้องกันมาหมดเลยในอดีตก็ยาวนานซึ่งเราก็คงเคยเป็นกันอยู่แล้วใช่อถ้าอย่างนั้นในพบภูมิเนี่ยในหนังสือพบภูมิถ้าเราอ่านเราศึกษามันก็เหมือนกับเราจะทํานายได้ว่าตัวเราเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนเป็นอะไร ใช่โดยอาศัยความรู้ของพระาศาสดาว่าเธอสร้างเหตุอย่างเนี้ยผลจะได้อะไรนะสร้างเหตุอย่างนี้จะได้ผลอะไรและถ้ากับพวกเราเนี้ยเลือกเกิดได้นะไอ้ที่บอกเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยต้องเปลี่ยนแหละนะเลือกเกิดไม่ได้เนี่ยมันจะถูกสําหรับคนที่ไม่ได้สดับในธรรมตถาคตก็จะเลือกเกิดไม่ได้เพราะไม่รู้หนทางไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เหตุปัจจัยอยากได้น้ํามันก็ดันเอาเมาเล็ดทรายไปเกี่ยวลงในรางปะผม น, นั้นคันมเมล็ดทรายอยู่นั่นนะ่ะใช่ไหมอ่า แต่พอเรารู้คําศาสดาโยนสายทิ้งเอ า, มาเมล็ดงามมาเกลีย่ยลงในหลางปะพรมน้ําเราก็ได้ผลได้น้ํามันเราจะรู้เหตุปัจจัยไงอยากได้นิพพานก็ปฏิบัติมรรคแปดไปใช่ไหมอยากไปเกิดเป็นพระมหาจาักรพรรดิเราสร้างเหตุไปตรงนี้ใช่ไหมออยากเกิดเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์สร้างเหตุตรงนี้ไปองั้นก็คือว่าเราทําในธรรมะที่ อยู่ในหนังสือพบภูมิสมมุติว่าเราจะทําแบบนี้เกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยถ้าเราทําสิ่งนี้อยู่เราดูตัวเองว่าเราทําสิ่งนี้อยู่อคติที่ไปข้างหน้าเนี่ยเทวดาอย่างน้อยเทวดาแน่ๆน ะ, ะนใช่หรือถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจตรงนั้นก็คือเดินมรรคแปดตามที่ผู้เจ้าสอนไว้น ะ, ะนะะั้นคติที่ไปเนี่ยสุกติภูมิแน่ๆใช่ส่วนมันจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ ก็ไม่ต้องกังวลตัวนั้นถ้าถ้าเราฟังตามคําพูดเจ้าใช่แล้วถ้าอย่างพวกเราเนี่ยได้สดับในธรรมตถาคตไปแล้วเนี่ยโอโหโอกาส <c oughs> บารรลุธรรมเนี่ยมันมีมากเลยเพราะว่าคนได้สดับในธรรมกับไม่ได้สดับในต่างชั้นกันมากมและผลลัพธ์ก็ต่างกันมากอย่างถ้าคนไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยถึงจะเข้าสมาธิได้ได้ไปเป็นเทวดาก็จริง แต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนพอหมดอายุไข้สิ้นกรรมสิ้นลทธิสิ้นยศแล้วก็ไปสู่นรกกัมเนตรเดชานเปรตวิสัยต่อแต่ถ้าเคยได้สดับในธรร ม, มาบ้างยมทําสมาธิได้สักครั้งยมไปเกิดเป็นเทวดาแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นอริบุคคลหมดอายุไข้สิ้นกรรมสิ้นลทธิสิ้นยศจะปรินิพานนะจะเป็นอริบุคคลทันทีในมนุษย์ก็มีทั้งผู้ที่สดับในธรรมในเทวดาก็ มีคนละชั้นชั้นที่สดับในธรรมกับไม่สดับในธรรมเหมือนกันใช่คืออยู่ชั้นเดียวกันแต่ปนกันอ๋อคือโอเคอ่าจะมีกลุ่มเดียวเทวดากลุ่มเดียวคือสุทาวาสที่ไม่เนื่องด้วยปุตุชนนั่นแสดงว่านอกจากสุทาวาสเนี่ยเนื่องด้วยปุตุชนทั้งสิน้นอ่าจะเหมือนกับมนุษย์เลยมีปุตุชนมีอริยบุคคลเทวดาก็เหมือนกันเทวดาปุตุชนเทวดาอริยบุคคลแต่สุทาวาส พระองค์บอกว่าจะไม่เนื่องด้วยปุถุชนและพระองค์ไม่เคยไปเกิดในชั้นนี้จะเป็นชั้นเดียวที่พวกเราก็ไม่เคยไปเกิดเพราะถ้าเราเคยไปเกิดในชั้นนี้พวกเราจะต้องปรินิพานในภพนั้นล็อกสเปกชั้นนี้ล็อกสเปกงั้นก็มีสองกลุ่มคือกลุ่มเทวดาที่ยังเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเป็นสัตว์นรกได้มนุษย์ได้ กับอีกกลุ่มหนึ่งเทวดาที่สดับในธรรมก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆใช่คือขยับขึ้นหมายถึงว่าพัฒนาจิตของสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนบรรลุธรรมได้ใช่มองกลับมาก็มนุษย์ก็เหมือนกันนะฮะมนุษย์ที่สดับในธรรมกับไม่สดับในธรรมใช่ใ่งั้นถ้าเป็นมนุษย์ที่สดับในธรรมแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาจิตตัวเองขึ้นไปจนถึงบรรลุธรรมได้ใช่ถูกต้องหรือถ้าเอาง่ายๆแค่ของพรเจ้าก็คือว่าฟังอยู่นึงๆจน เข้าใจในธรรมะจำธรรมะข้อนั้นได้แล้วก็เข้าใจเอาแค่ข้อเดียวบทเดียวอันนี้ก็ไม่ต่ากว่ามนุ ล, ละไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เ, uh huh. เพราะว่าในภพนี้ถ้าอย่างน้อยยังไม่โสดาบันก็ไปเกิดเทวดาเป็นเทวดาในภพหน้าใช่แล้วก็บรรลุธรรม uh huh. ยอมดูสิอย่างเออย่างสมัยอัตมาเด็กเด็กเนี่ยก็จะมีเปิดวิทยุ เพลงสยามมนุษสติอลไตื่นเช้าไหมาสยามมนุษสติจําได้ฟังมันทุกวันต้องได้เลยโยมตื่นขึ้นมาเนี่ยนะพุทธวจะนะเปิดทันทีเลย <c oughs> เปทุกเชา้าอยู่ในหัวหมดอะ่ะนะฟังหนึ่งเนืองเพราะก่อนตายโยมก็ได้ในหัวนะร ะ, ะลึกขึ้นได้และถ้าระลึกได้เองเนี่ยละสังโยธาได้เลยน ะ, ะด้วยตัวเองเลยฉันะขอญาติถอยกลับมาตรงที่ สารวมอินทรีย์ช่วงต้นก่อนหนะน้านที่พระอาจารย์คุยไว้แล้วก็ความไม่ประมาทก็ค่อนข้างคิดตามพระอาจารย์ก็คือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ค่อนข้างสําคัญของพระพุทธเจ้าใช่ใช่สำคัญมากการไม่ประมาท <c oughs> ทำยังไงก็คือสํารวมอินทรีย์ใช่ถ้าสํารวมอินทรีย์เอาแค่ทางโลกนี่ก็คือการการควบคุมกิเลสอาการ <c oughs> การมีมารยาท การหรือถ้าเอาตามที่ผู้เจ้าสอนก็ได้อย่างเช่นการสอนพระว่าขบฉันอมีคําเข้าในปากจะไม่พูดอะไรอย่างนี้ใช่ทําอย่างนี้เนี่ยก็คือการสํารวมอินทรีย์แล้วใช่การเดินยืนนั่งนอนการสํารวมกายใจตามมารยาทธรรมดาก็สํารวมอินทรีย์แล้วใช่นี่คือเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วใช่เพราะฉะนั้นอย่างเวลาพระไปวิเวกตามป่าเขาเนี่ยถ้าเราสํารวมอินทรีย์ดีๆเนี่ย สัตว์มันจะไม่สนใจกับเราเราเดินไปสงบเงียบๆมันก็นิ่งๆเฉยๆเราไปก็ก๊กเก๊กเนี่ยเดี๋ยวเอาลนะมีปัญหากันและ <c oughs> มันก็สังเกตพอเราสำรวมเนี่ยมันก็รู้สึกถึงความปลอดภัยว่าเออก็ไอ้ไอสัตว์ตัวนี้ไม่มีอะไรไ <c oughs> ม่มาทําอันตรายเราหรอกนะมันก็กินหญ้ากินอะไรไปของมันเนี่ยอย่างเนี้ยอืมอันนี้ตรงกับที่ผู้เจ้าบอกว่าถ้าสำรวมอินทรีย์ ไม่ประมาทก็จะพ้นภัยจากมาร<ช>อันตรายพยานตรายต่างๆใช่ใช่ถ้าสำรวมอินทรีย์ในเชิงลึกขึ้นก็คือการเช่น<ส>ทำสมาธิสำรวมจิตและเอาจิตมาอยู่กับเสาเกินเสาหลักสำรวมจิตอยู่ที่กายแต่ถ้าบูกอย่างนั้นตามคำเจชาก็ตอนที่เราทำสมาธิหรืออยู่ในฌานหนึ่งสามสี่ ใช่กายใจมันก็จะไม่ไม่วอกแวกไม่อะไรกายมันก็ไม่ไม่มีกิยาอะไรที่ไม่น่าดูกายก็จะสงบระงับสิงก็จะบริบูรณ์โดยอัตโนมัติขณะที่ทำสมาธิเนี่ยมันเป็นผลพวงมากันหมดอ๋องั้นถ้าเกิดจะดูผลทั้งโลกก็คือเมื่อเราสำรวมยินทรียมันก็เหมือนมีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ถูกต้องสติก็เป็นที่เล่นไปสู่วิมุติที่พิพเจัชวาใช่งั้นก็ไม่จาเป็นต้อง นั่งนิ่งๆสมาธินิ่งๆ<ต>ก็ระหว่างที่สำมรวมอินทรีย์เนี่ย<ช>เราก็เดินมักอยู่<ช>ไปธรรมะของผู้เจ้าไปที่ไปจนถึงวิมุตตได้ใช่ถูกต้องเป็นความเพียนทางจิตถ้าอย่างนั้นการพ้นภัยจากมารเนี่ยในการสำมรวมอินทรีย์ก็ในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงถูกใส่ร้าย i, ถูกอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จ ะ, ะพ้นจากภัยพวกนั้นได้ด้วย าามีสติในการที่จะแก้ภไยพวกนั้นได้ด้วยเข้าใจอย่างนี้ถูกใช่ไหมใ ช, ใชข่ขอบคุณครับผู้ใหม่มีอะไรไหมอาจเชิญมีใหม่ไหมใช่อ่กรับน้ำประการขออนุญาตครับาาอ่ะ ผมมายืนยันเมื่อสมปีแล้ว3ามปีกว่าเด็ก <_ d eg g> ที่ทำงานพาผมมาที่นี่ผม <_ d eg g> ผมไม่ทราบว่าที่นี่คืออะไรกือคื อ, คอทราบจะเป็นวัดปฏิบัติผมก็ไปวัดป่าวัดอะไรมาหลายแห่งนะครับเออพอผมเข้ามาที่อสนาพระพุญเจ้านั่งอยู่เนี่ยมันก็เกิดปิติขึ้นมาขนลุกขนชันผมก็เกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับเออก็เรื่องนั้นก็จบแล้วพอมา ปีนี้ปีนี้เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมสิงห า, าที่บ้านผมก็จัดสวนแล้วก็ผมมีธุระจะต้องไปที่คลอง15้านครานายกเพื่อไปซื้อต้นไม้กับสิ่งประดับในสวนที่บ้านนะครับมาพอา ผ, มผมได้พบกับท่านท่านหนึ่งเถียนที่บ้านที่ที่หน้าร้านว่าชมลมสนธนาธรรมผมก็ปากเปลราเข้าไปถามบอกว่าสนธนาธรรมอะไร ท่านก็บอกว่าท่านมาที่วัด น, นะปะโพงผมบอกผมเคยไปผมก็คือทำตัวว่าเป็นน้ำล้นแก้วคือไม่ยอมรับอะไรอีกแล้วเพราะว่าปฏิบัติธรรมมาสายครูบาอาจารย์ประมาณ40กว่าปีนะครับก็ก็ยังอยู่ทานั้นก็ไม่ได้ดูถูกครูบาอาจารย์อะไรแต่ว่าคงจะเป็นบุญหรือเป็นกรรมออกอะไรก็แล้วแต่ผมก็พบกับท่านแล้วท่านก็ให้หนังสือมาเล่มหนึ่งให้ซีดีมาผมก็ รับแล้วก็รับไปอย่างนั้นแล้วก็ฝากเงินท่านมาทําบุญท่านบอกท่านไม่รับผมบอกผ ม, มาฝากไปทําบุญด้วยนะครับออพอกลับไปถึงบ้านสาวันผ่านไปยังไม่เปิดดูยังไม่เปิดอ่านแต่วันนั้นมีเหตุอยู่วันหนึ่งฝนตกทั้งวันทําสวนไม่ได้จัดสวนไม่ได้ผมก็เลยเอาซีดีมาเปิดดูเอาหนังสือมาอ่าน<ๆ>เท่านั้นแหะครับแตกเลยผมก็ทราบว่าที่ผมขนลุกขนพองนี่คือเออพระคุณเจ้าเอาธรรมะของพระเจ้ามาพูดตรงนี้ ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรที่ผมรับรับสื่อตรงนั้น่าคือขนลุกนี่แสดงความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธเจ้าตรงนี้ถูกต้องไหมครับตอบต่อไปดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นปฏิหารครับก็เสร็จแล้วผมก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเล่าเหตุการณ์ต่างเหล่านี้ให้ฟัง ก็มาที่นี่แล้วก็มาทาบุญแต่ไม่ไ ม, ไ, มไม่พบกุลเจ้านะครับเหตุที่ปาฏิหาริ์ที่จะเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คื อ, อ, อหลังจากที่ปฏิบัติทำมา40ปีเนี่ยนะครับมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็คือรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ตอนนี้พอจะทำอะไรมันก็บอกว่าจะสร้างพพสร้างชาติอีกหรือจะสร้างพพอีกไหมมันก็จะหยุดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้ น, นแล้วมีปาฏิหาริ์ซึ่ง เจียตตายมาให้ตัวเองได้ไ ด, ได้พบก็น้าตกที่บ้านก็สร้างเสร็จก็เจ้าขางคกนี่ก็ลงไปไข่ผมก็ลงไปเก็บใบไม้เพื่อไม่ให้มันเลอเทอะนี่นะครับปรากฏว่าไปโดนไ ข, ขค่คางคกซึ่งตอนแรกก็บอกอย่าไปยุ่งกับมันเลยเราจะเอาลูกออกไปจิ้งแล้วก็บอกอมันเป็นบาป ก, ก็เลยไม่ทําก็บังเอิญมือเนี่ยไปถูกนะครับพอมือไปถูกลกมันก็เกิดอาการบวมที่นิ้ว รมเส้นเลือดมันโป่งพองมาเท่าหลอดกาแฟสีเขียวนะครับตอนนั้นถามว่าตกใจไหมไม่ตกใจถามว่ากลัวตายไหมหลังจากที่ปฏิบัติธรรมะที่มาที่นี่แล้วเนี่ยนะครับจากหนังสือและจากซีดีเนี่ยก็ทำการละทันทีเลยแล้วก็ใช้ท่องด้วยคำว่านิพานางาขขังพละมังสังขงซึ่งผมได้ตรวจสอบกับในเว็บไซต์แล้วว่าเป็ น, เ ป, นเป็นพุทธวจนะแล้วก็มองที่นิ้วมองโดยที่ปล่อยวางทั้งหมดตายก็ตายไม่เป็นไร แต่ว่าในใจกระท้องแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดเร็วมากในวินาทีเดียวพอเกิดมันเกิดปุ๊บก็มันแปรบวิ่งเข้าหัวใจวิ่งเข้าหัวใจคือเหมือนกับจะต้องใจหัวใจชวายเพราะว่าพิษพิษจากไข่เนี่ยเส้นเลือดมันป่งพองขึ้นมาทันทีที่ทินิ้วก็มองแล้วก็นิพานนางประมังสุขังแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมดตืงธรรกาลละตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเป็นคําถามเลยครับว่าทําไมถึงเป็นชนะก็มีสติอนะแสดงว่าการฝึกของโยมก็ก็ได้ผลนะ แล้วก็พอมีอการแปรปวนของรูปปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ทุบ อ, อกกร้ำให้รา ง, ง่ายกล้ำกวนแต่จะมีสติสัมปชัญญะหยิบมักวิธีมาแก้ละใกล้ว ค, ควรทำเลยอย่างนี้ก็ถือว่าดีก็วรวดเร็วดีขอบพระคุณครับไกลังคกละระวังกันดีๆนะมันมียางนะ อ, อ, อันตรายมากอ๋อ ขอโอกาสครับฝรั huh. ่งก <DOWN> Do uh ็เคยวิจัยนะว่าเวลามันมันตกใจเนี่ยมันจะพองตัวเหมือนอ่างแต่มันพองไม่เยอะรอบตัวมันเนี่ยมันจะมีแบบเป็นฟุ้งฟุ้งฟุ้งเหมือนเราฉีดพ็อกซี่ฮะอแมวนะฮะแมวก็เคยแบบแมวมันอี๋เลยฮะอตอนแรกผมก็ไม่เชื่อบแต่ผิวมันเน่ยมียางอืมอมันจะปล่อยได้ในไข่เขาแบบเขาเขาจะมียางเคลือบเขาครับกันศัตรูมากินไข่เขาออืืบางคนแพ้บางคนไม่แพ้ครับอ อาขงคกนะคะมาไข่ในสะนสะบ่อเลี้ยงปาโอ้โหไม่กลัวจับทิ้งไจับทิ้งเป็นยุงยวงยวงยวงเลยจับทิ้งไม่โดนไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร่เหมือนเหมือนตะขาบตะขาบบางคนแพ้ตายได้เนาะ อนนขยักขยแยงมากเลยเห็นไม่กล้าจับพอพอมันมันชอบมาไข่ในบ่อน้ำอะค่ะโอ้โหทนไม่ไหวแล้วขยักขยแยงก็ค่อยจับทิ้งไปเลยโยนทิ้งข้างรั้วไปเลย <c oughs> ก็โดนจับตออไม่ได้ไปจับอะค่ะมันอยู่ในผ้าก็เอามือโอ้โหปวดหน้าดูเลยค่ะตอตอยเนี่ย ต่ อ, ม, อมันอยู่ในผ้าแล้วไปจับไงฮะก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในผ้าไปจับต่อโดนต่อยตั้งมือบวมเลยผ้า น, นี่ก็โดนกันเหมือนกันเนี่ย <c oughs> จีวรผ้าๆ น, า น, านตัวต่อมันเข้ามากินเนี่ยมันผ้าแก่นไงแก่นไ ม, นไม้มันหอมแก่นไม้เนี่ยมันก็มากัดเป็น ด, งดวงๆกินผ้าบางทีไม่รู้ไปจับจีวรโอ้โหต่อไม่รู้ที่ตัวเต็มจีวรไวหมดเลย <c oughs> น็อย่ามองไปางไม่รู้อ่ะก็อย่ามองไปทางโดนยาหมองตรงไหนพวมไปทรงนันแหละแล้มันเป็นบางอย่างนะบางเรื่องมีอุกคนถูกมดตัวเดียวกัดเนี่ยเกือบเสียชีวิตเหมือนกันนะเป็นผื่นแดงทั้งตัวแล้วก็สักพักตาบอดคือตาฟ้าหมดเลยเป็นขาวโพลนไปหมดอีกสักพักหนึ่งอมมาพาดกินไปไหนไม่ได้มดตัวเดียวเองนะ อ่โอ้อันนี้จังจริงเนาะเรื่องประหลาดในโลกนี้มีเยอะยผู้เจ้าวา่าต้องเตรียมตัวตายได้ตลอดแล้นในในพสูตรเนี่ยจะมีผู้เจ้าตัดเนี่ยงูตะขาบแมลงป่องกัดเราเราจะถึงแก่ความตายบางคนก็บอกมันจะตายได้ยังไงพวกนี้กัดเนาะมันไม่แน่เนาะอ่าของบางอย่างแพ้ก็มีไม่แพ้ก็มีเนี่ยค่ะโยมก็เลยบอกว่าโยมแม่ คือทำสมาธิจเจริญกุศลน้อยเพราะว่าเนี่ยได้รับอกุศลวิบาบต้องทำสมาธิทุกวันนะไ ม, ไม่ได้ทำงานแล้วไวัยเกษียณต้องอย่างขี้เกียจทำและย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยโยมก็เลยเป็นป้าแก่บ่นแกอยู่ในบ้านเนี่ย <c oughs> ขออากาศครับจริงๆก็คือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ว่ามันเริ่มพุจรณะเริ่มไปแพร่หลายเนี่ย ผมได้พระสู่ที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นอนุสาสนีปฏิหารนะพระอาจารย์ใช่ใช่แล้วอันนี้เกิดกับตัวเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ย <c oughs> พระพวกจะกินเที่ยวกันเยอะมากเลยะครตอนหลังไม่ทําไมพระพวกเราน้อยลงอ๋ <c oughs> อก็มาได้สี่ข้อเลยที่ที่ <c oughs> อ่านนะครับคือศ ร, รัทธาวิยาสติสมาธิพละหแต่พ่นี้มาเจออันนึงก็คือว่าศรัทธาศินจาระกัญญาเพราะพอเรามีมีตรงนี้เยอะๆๆเนี่ยเราก็จะได้มิตร กลุ่มหนึ่งอะพระอาจารย์ใช่ใชะนะแล้วแล้วมิทุกเนี้ยจะเข้ามาแบบไอ้คนนี้ไม่เคยไม่ไม่เคยรู้จักแต่คุ้นหน้าจะมีอย่างนี้เยอะฮะคนเนี้ยไม่เคยรู้จักแต่คุ้นหน้าพอคุยไปแล้วเนี่ยอา้าวคุ ย, ค, ยคุยภาษาเดียวกันนะ <Okay. S 2> แล้วมิตรที่บบเคยเราเคยกินเคยเที่ยวเนี่ยไม่รู้เขาหายไปไหนเขาหมด <laughs> เราก็สงสัย <laughs> ผมเลยบอกโอ้ใช่พอพ อ, พอเราปฏิบัติพอเราศึกษาแล้วปฏิบัติเนี่ย อ๋อไม่จะมีสิ่งที่ดีเข <parachute> ้ามาอย่างเงี้ยมิตรไม่จะเป็นการจะิตรเข้ามาใช่ใช่ไหมฮะโดยตัโนมัสเลยโดยตัโนมัสฮะขอโอกาสครับอในพระสูตรของพระเจ้าก็จะบอกเรื่องของการคบสัตบุรุษใช่หรือคบบัณฑิตนี่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าใครเป็นสัตบุรุษไม่รู้ว่าใครเป็นบัณฑิตหรือว่าในสังคมเรามันก็จะคบกันไปหลายคนงั้นก็เราก็ทําให้เพื่อนเราเป็นบัณฑิตเลย ดีไหมครับหมดเรื่องเราอยากคบสัตบุรุษเราอยากได้บุญตรงนี้เราอยากได้บุญในการข้อบัณฑิตงั้นก็เขาจงเป็นบัณฑิตเถิดเราก็ยื่นพุทธวัจนะให้อย่างนี้ก็น่าจะได้ก็น่าจะได้ก็ตอนแรกก็ชวนเพื่อนอย่างนี้เยอะเหมือนกันฮะตอนหลังมาโอ้โหบางคนต่อต้านเรา พอไปอ่านประสูติประสูติอย่างอ๋อมนุษย์มีบัวสามเหล่าที่พระเจ้าบอกอกว่าผมปงแล้วบางคนบางคนให้แล้วไม่อ่านบางคนผมอะไรไปต่อหลังไม่ให้ละแต่จะให้ก็ต้องคุยอ่ะพอคุยบัฟอ๋อรู้ออกคนนี้เริ่มจะปริ่มน้ำโอเคให้ได้แต่ประเภทจมน้ําก็ปล่อยจมน้ำไปผมว่ามันมันมันก็ไม่ทุกเร่าพ่อจ๋าเมื่อก่อนทุกมากไหมฮะให้ไปแล้วแบบเอไปขั้นกิจกรรมอ่านดีอ่านงนั้นอ่านดิพรอเขาไม่อ่านเราก็ทุกใช่ไหมฮะตอนหลังเขานั่งคุยกันแล้วอ๋อคนนี้ยเออพอเริ่มมีสินห้าเออให้ได้ แต่บางคนพอคุยแล้วเนี่ยแล้วก็แปลครับพอพอศึกษาปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยจะเจอคนแบบอ๋อปิมน้ําแล้วเริ่มออปิมเอ่อปิมเนี่ยให้แต่ประเภทจมเนี่ยไม่ให้แล้วเปลืองของครับพ่อจ๋า <c oughs> ของแล้วชักเล่มมีคุณค่ามีคุณค่าพ่อจ๋ า, จามีคุณค่า <c oughs> ก็เลยแบบพอพอคุยเนี่ยโอ้รู้สึกจะไม่ใช่เน่ยผมก็จะไม่ค่อยแจกและไม่ให้ละก็คือต้องปล่อยให้เขาไปพระจอมนิบากเขาก่อนน่ะถ้าถ้าอย่างนี้ก็เหมือนเหมือนกับพุทธเจ้าต้องใช้พุทธจักขูดตรวจดูว่าอเอ๊ะใครควรโปรดน่ะ พอพแรกก่อนนะพอจา น, นแล้วพอศึกษาแล้วปฏิบัติเนี่ยมันมันจะไม่อันนี้เกิดกับตัวเองนะพอคุยแนละ้วจะรู้ว่าคนเนี้ยเขารับได้รับไม่ได้อพอคุยแล้วรับรับได้รับไม่ได้พอรับได้เราค่อยให้ถ้ารับไม่ได้เนี่ยเอาไปให้คนที่เขาเขาต้องการดีกว่าผมว่ายังมีเยอะที่คนเขาต้องการนะไปให้คนที่ไม่ต้องการเน่ะโอ้ฝุ่นเกาะแล้วอะ่ะก็ไม่ได้ละเสียโอกาสคนที่ที่อยากได้อ่าใช่ เพรอ่านพระสูตรของบัวบัวสามเหล่าลเนี่ยโอพระผู้เจ้าท่านก็ไม่ท่านก็ไม่โปรดกับคนที่ที่ที่ที่เป็นบัวจมน้ํำนะฮะท่านก็จะดูออปิ่มน้ําท่านก็จะโปรดแหละก็เหมือนปริพาชกเนี่ย <c oughs> บางคนเนี่ยผู้เจ้าเทศไปบ้วนน้ำลายใสย่แล้วปิ้นปิ น, ปนตาเดินหนีไปผู้เจ้าก็ไม่ไปกวักมือเลี้ยงมันเนี้ยนิดเดวมาฟังทำต่อไม่เอาไปแล้วไปก็ปล่อยวางไป เมือน่อก่อนนะค<อ>ับไปขยันเขาย่เรียกกว่ามือฮะ<ส>โอ้แล้วมันมันทุกข์ใจฮะแล้วหลังมาเขาใช้วิธีนี้โอ้สบายใจมากเลยออืก็กำใครกรรมาหรืูออย่างเงี้ย <c oughs> ข, ขอขอโอกาสพระอาจารย์ครับตรงแง่มุมนี้ก็เ อ, อได้ไข้ควรพระสูตที่พระรู้จ้าบอกว่าถ้าเธอจะสงเคราะห์ใครใช่ไหมครับก็<อ>คิดว่าเพื่อนๆศาสตร์ธรรมิจะเจอเหมือนกันที่ว่าเราพยายามจะบอกต่อสิ่งที่เรามีความศรัทธาแล้วเราประทับใจพอมาไข้ควรดูพระสูตเนี่ยมัน เป็นจริงอย่างนั้นที่ผู้เช่าบอกละเอียดไว้ที่ประโยคแรกว่าถ้าพวกเราเอ็นดูใครใช่ไหมครับกับในที่สองผู้เช่าบอกว่าเขาเนี่ยควรจะเห็นว่าเราถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังก็เลยพิจารณาว่ามบางทีเราแจกไปแต่เนี่ยเราไม่ได้เป็นคานี้ก็สํำคัญครับเราไม่ได้เห็นเราเขาไม่ได้เห็นว่าเราเป็นคนที่ควรเชื่อฟังเพราะฉะนั้นเราเผยแพร่ไปเขาก็ก็เลยมองมุมกลับอีกมุมหนึ่งว่าอืมก็เป็นสเต็ปที่สองว่าว่าเขาจะ เราต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือสําหรับเขาระดับหนึ่งเขาถึงจะฟัเราเพื่อนึ่งจะได้ได้ผลได้มีการฟังขึ้นคขอบคุณครับขออนุญาตครับอแต่ผมหวานไปเลยครับออีกแบบหนึ่งก็ได้ครับก็คิดดูว่าเราไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่วันนึงเนี่ยเขามีจิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอืมเขาเกิดหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยอเขาก็ได้ประโยชน์ของเขา วันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดนึกอะไรขึ้นมากันแล้วแต่นะฮะเกิดไปหยิบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าเพื่อนเราคนที่รู้จักเราลูกค้าเราให้ไปก่อนให้ไปเลยแต่ตอนหลังเนี่ยผมเริ่มเติมคำอีกอย่างนึงเข้าไปผมบอกว่าอันนี้เป็นของพิเศษนะฮะที่ไม่ตกนรกนะครับอ่า ได้จากท่านอาจารย์เนี่ยมามานี่แล้วเนี่ยมันเป็นของวิเศษเลยนะไม่มีแล้วของวิเศษที่จะไม่ตกนรกเนี่ยมีอันนี้อนเดียวให้ลองไปศึกษาดูผมก็คิดว่าเน้นหน่อยเพื่อให้เขาเห็นมีความสนใจขึ้นมาบ้างครับเราใจน้าดูงครับขอกาบพระอาจารย์อิยอมอยากทราบว่าอย่างที่เขาบอกว่าหวานไปเลยเนี่ยค่ะ บางคนเนี่ยเขาก็สนใจหยิบไปอ่านตั้งใจดีแต่บางคนเขาไม่ได้อ่านเลยเนี่ยโยมอยากทราบว่ากุศลที่เราสร้างมาเนี่ยได้เท่ากันไหมคะมก็คือในส่วนของโยมก็มีเจตนาหวั ง, วงดีเนะี่ยได้ในส่วนนั้นนะแต่ผลมันจะเกิดมากน้อยก็ก็คงอีกส่วนหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ในประเด็นของโยมก็มี มันก็มีอยู่เพราะว่าอย่างเหมือนกับว่าเราเอาหนังสือธรรมะไปวันวานวางวางไปเนี่ยนะวันดีขึ้นดีลูกหยิบมาดูเกิดเข้าใจเข้าสู่ทางธรรมอ่ะก็โชคดีไปแต่ปีตาชาติไม่เคยดูมันก็เหตุปัจจัยนะมันก็ใครเหตุปัจจัยของใครจะหวานก็หวานเหตุปัจจัยของใครจะวิเคราะห์ก่อนสกรีนก่อนก็ได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วกันนะก็ ก็ได้ประโยชน์เร็วประโยชน์ช้าน ะ, ะหรือตามเหตุปัจจัยของคนที่ได้รับไปซึ่งเราก็ประเมินไม่ได้ประเมินยากวันนี้เขาไม่เอาวันรุ่งขึ้นอาจจะเอาก็ได้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าที่ที่บ้านเนี่ยจะทำแจกเยอะมากนี่ก็สั่งไว้อีกร้อยชุดเพราะปกติแล้วมาที่วัดเนี่ยประทับใจมากเลยแล้วก็ลูกชายเป็นคนนามา นะคะจริงๆแล้วกไ็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีวัดแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะพอมาแล้วก็ประทับใจก็จะสนใจเรื่องหนังสือพุทธวจนะแล้วก็ทำแจกอยู่ประจําสั่งทิ้งก็บางทีก็50าสชุดบางทีก็ร้อยชุดนะคะวันนี้มาก็จะมาเอาอีกร้อยชุดแต่ปรากฏว่ารู้สึกว่าหนังสือจะขาดอยู่ไม่ไม่ครบสิบเล่ม อ๋อ oh, oh. นะคะ uh huh. ก็จะได้แค่เก้าเล่มเองก็จะสั่ง uh huh. แจกอยู่ประจําำ uh huh. ก็ส่วนใหญ่แล้วอ่ะส่วนตัวของโยมเองเนี่ยโยมจะแจกใครเนี่ยโยมจะถามก่อน uh huh. ว่าสนใจไหมในหลักธรรมะ uh huh. ถ้าสนใจแจกถ้าไม่สนใจโยมไม่แจกโ uh huh. <laughs> ยมคิดว่าแจกไปแล้วไม่ได้ผลแต่ทางทางด้านสามีสามีบอกว่าไม่สนใจ หวานอย่างเดียวเดี๋ยวเขาเขาพอใจเมื่อไหร่เขาก็หยิบมาอ่านกุศลอันนั้นก็เกิดค่ะก็เลยอยากทราบจากพระอาจารย์ค่ะว่ากุศลได้เท่ากันไหมตรงเนี้ยค่ะขอบคุณค่ะอนิวข้างหลังนะวางขอโอกาสค่ะพระอาจารย์มีหนูมีสองประเด็นค่ะ ปเด็นแรกหนูเคยอ่านในพุทธประวัติจักพระโอนะคะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆใช่ไหมคะก็เออที่ท่านก่อนที่จะพบปัญจวัคคีย์ค่ะก็จะเจอคนหนึ่งที่ชื่ออุปกาชีโวก็ค่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็แลบลิ้นปิ้นตาใส่เขาก็หนีไปอเสียดายมากเลยถ้าเกิดเขาเข้าใจเขาก็ได้จะเป็นสาวกคนแรกนะใช่ใชเป็นเป็นอ่ะค่ะ พระอัญญาโกทัญญาเป็นคนแรกใช่ะขออีกประเด็นหนึ่งนะคะก็หนูสงสัยคือได้ยินว่าในเทวโลกค่ะก็จะมีเทวดากับนางฟ้าใช่ไหมค ะ, ะก็ที่ได้ยินก็คือเ อ, อ, อย่างเช่นว่าเราทรงจําข้องปักขึ้นใจทางตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วขบหลวงเทวดาก็จะบรรลุธรรมแล้วมีนางฟ้าไหมคะแบบที่บรรลุธรรมอย่างเงี้ยค่ะน้อนางฟ้าที่บรรลุธรรมก็คงจะ น่าจะอันเดียวกันนั่นแหละไปเกิดเป็นเป็นเทวดาไม่ไม่ได้ระบุว่าเทวดาชายเทวดาหญิงนะนะอืมข้อกาวครับอ่าทีหนึ่งก็ไม่แน่ว่าคนที่แลบินปินตาคนแรกกับพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นเราก็ได้เราอยู่มัาจนถึงตอนนี้ <laughs> รับกรรมไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาเจออีกทีนึ่ง <laughs> ขออนุญาตครับเออถ้าในเรื่องของการเผยแพร่เมื่อสักครู่นี้ ถ้างั้นจับประเด็นว่าน่าจะด้วยรูปแบบวิธีไหนก็ได้ถ้าทําให้กุศลเจริญอกุศลเสื่อมถ้าใช้คํานี้ของผู้เจ้าก็น่าจะได้เหมือนกัน อ, าาอใครจะพิจารณา <c oughs> ก่อนหรือว่าก็หวานไปเลยการหวานไปเลยก็คือพิจารณาอย่างหนึ่งเหมือนกันอใช่หรือบางบางทีอย่างเราไปเจอเจอในหมู่พระเนี่ยทําไงดีเนาะหวานไปเลยไม่เป็นไรครับอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้ถือว่าเป็นพระบูชามาแล้วเอาสักวันต้องอ่านแหะ อย่างนี้ก็หวานไปเลยนะเพราะบางทีคนไปไม่อ่านแต่ก็ไปอยู่ในสถานที่ของเขาอเขาไปวางไว้ที่นู่นที่นี่เนี่ยอาจจะมีคนอื่นที่แมพพอดีแล้วมาเจอหยิบใช่เพื่อให้เพื่อให้สื่อเนี่ยมันไปถึงในหลายหลายคนหรืออาจจะดีด้วยหวานไปในบุคคลที่ไม่ค่อยชอบธรรมะออแล้วอาจจะไปเจอเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาสักคนที่เป็นกลุ่มเดียวกันที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่บังเอิญคลิก เวลาจับเจอก็อาจจะได้อีกกลุ่มหนึ่งใช่ใหรือถ้าจะใช้ตามคํารำวเจ้าว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ความจริงที่เป็นประโยชน์ก็เลือกกาละที่จะเผยแพร่เลือกกาละที่จะพูดก็คนที่จะเลือกก่อนพี่นาก่อนแล้วก็ค่อยพูดค่อยบอกค่อยสื่อก็ได้เหมือนกันได้ใช่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเทําไปแล้วมันเกิดอกุศลขึ้น ไม่ว่าจะ ก, กับเราหรือกับคนอื่นกับเขาก็ตามอาจจะต้องหยุดก่อนแสดงว่าไม่น่าจะใช้ก า, าละที่ดีอาจจะใช้การเวลาให้เขาเปลี่ยนเองนะการเวลาผ่านไปผ่านไปพอเราทําให้กลุ่มคนที่เข้าใจมากขึ้นกลุ่มคนที่ไม่เข้าใจก็จะเป็นส่วนน้อยไปเองแล้วเขาจะเห็นเองสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเอ๊ะทําไมเขาไปกันหมดแล้วเรายังไม่รู้เรื่องอยู่เลยนะเขาก็อาจจะเริ่มมีจิตโน้มเข้ามาศึกษานะก็ให้สังคมเป็นตัว ตัวกลั่นกลองแล้วก็ปรับเขาเองอย่างนี้ยเพราะพระพุทธเจ้าก็บอกเหมือนกันว่าคนที่สดับในธรรมกับผู้ที่ไม่ได้สดับในธรรม <c oughs> จะเป็นคนที่อยู่คนละกลุ่มกันต่างชใช่กันซึ่งต่างมากใช่แล้วคําว่าสดับในธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือไม่ได้บอกว่าต้องเข้าใจนะวิ น, วนาทีนั้น อ, อไม่ได้บอกว่าต้องเข้าใจนต่ชื่อว่าต่ํามากเลยนะคแค่ได้ยินได้ฟังแค่นั้นเองได้สดับในธรรมแค่เราพูดออกไปเนี่ยเขาได้สดับในธรรมแลใช่ แต่ว่าเขาจะระลึกได้ถึงธรรมเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรก็เป็นเหตุปัจจัยของเขาใช่ใชแต่พระเจ้าก็บอกว่าเหมือนกันว่าเมื่อเขาเกิดทุกข์เขาก็จะระลึกในธรรมนี้ได้ใันใ ช, ใช่ทุกข์เป็นเนี่ยได้เกิดศรัทธาขึ้นมานะอทีนี้มาอีก <c oughs> ตัวหนึ่งที่พระพอาจารย์เคยตอบคําถามไว้ว่ามีคําพูดว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านสําหรับลูก มีคนถามว่าระหว่างทําบุญกับพระโสดาบันกับทํากับพ่อแม่อะไรได้มากกว่ากันพอไปเทียบพ่อแม่เป็นพระราหันมีพระอาจารย์บอกว่าน่าจะไม่ไม่ใช่ก็คือว่าทํากับพระโสดาบันย่อมได้มากกว่าเพราะพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ถ้ายังไม่ใช่อพระอริยะใช่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ดึงให้พ่อแม่เป็นโสดาบันซะเลยออืจะได้ครบเลย ถ้าเราสามารถช็คจูงให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเราเนี่ยเป็นโสดาบันได้มีโสดาบันอยู่ในบ้านได้เราทําบุญทํากุศลกันอยู่ทุกวันเกื้อหนุนกันทุกวันอย่างนี้บุญเราจะได้เยอะมากคถ้าผูกตะไกายอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าทั้งบ้านเป็นโสดาบันพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเป็นโสดาบันกันก็เกื้อหนุนกันไปเกื้อหนุนกันมาก็ยิ่งอานิสงส์ยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับงั้นได้ได้อีกทิกหนึ่งครับ <c oughs> ขอบพระคุณครับขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับอ uh huh. นิดหนึ่งครับว่าเรื่องที่เรื่องการเผยแผ่ครับถ้าเกิดว่ามองพิจารณาว่าถ้าเราเผยแผ่ไปมีคนเพียงคนเดียวที่ได้อา่านบทนี่บทเดียวแล้วเขาบรรลุเป็นโสดาบันผมว่ามันก็คุ้มค่าเพราะว่าถ้าเทียบกัรบรรลุโสดาบันกับสมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิเทียบกันไม่ได้แต่ของที่เราแจกไปมัน ถ, ถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วมันนิดเดียวกับโอกาสที่เขาได้ครับผมก็เลยดูว่า ถ้ามองในมุมนี้สิ่งที่เราลงทุนไปอะครับถ้าคิดเป็นการลงทุนเนี่ยมันก็คุ้มมากที่จะเผยแผ่ er ทำมาไปเพราะแค่คนคนเดียวได้บรรลุทำก็คือสมบัติจักรพรรดิถอนทุนคืนหมดแล้วที่แจกไปทั้งหมดอ่าเชิญเนี่ยเดี๋ยวขอไมค์ข้างหลังนิดอ๋ออ๋อนั่น ขออนุญาตครับเดี๋ยวไม่ไปรอกันเลยนะเอาก็ บ, บอกเห็นกันนะเชิญก็เมื่อครูนี้ก็คิดแบบนี้แหละฮะคือคิดว่าเราหวานไปเนี่ยก็กับลูกชายก็ด้วยกันนะฮะก็บอกถ้าสมมุติว่าเราหวานไปเนี่ยหนึ่งร้อยขอให้ได้สักคนเดียวเนี่ยเราเบื้มแล้วครับฮะแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกฮะเราประเมินเขาไม่ได้เลยแต่ละคนที่เร า, าจันั่นไปแล้วก็มีที่แจกไปแล้วนะฮะ บางท่านเนี่ยกลับมาเนี่ยเขาบอกอช่วยอนุ ม, มัตนาเขาด้วยว่าเขาโอ้โหเขาได้อย่างช น, นิดที่เรียกว่ามันมันไม่เคยเจอที่ไหนอะ่ะพอเจอตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาได้เนี่ยเขาบอกช่วยอนุ ม, มัติอนุ ม, มันาเขาด้วยเนี่ยเราก็เพิ่มแล้วครับรครับผมนี่ยังว่าไงครับขออนุญาตครับ <c oughs> จิตใจวิญญาณสามารถที่จะอยู่ <c oughs> ในร่างของ คนคนเดียวกันสองดวงได้ไหมครับพระพุทธเจ้าบอกลักษณะเหมือนผีเข้านะครับไม่ไม่ได้นะในในหลักการมาตรฐานเนี่ยก็คื อ, อถ้าสัตว์ได้กายได้กายหนึ่งแล้วเนี่ยจะไม่ได้กายอื่นการได้อัตราเนี่ยจะมี3าอย่างอัตราที่สําเร็จด้วยมหาปฏ ธ, ธาสี่อัตราที่สําเร็จด้วยใจอัตราที่สําเร็จด้วยสัญญานะอัตราสําเร็จด้วยสัญญาก็พวก ได้สมาธิระดับอากาสาขึ้นไปกายสำเร็จด้วยใจยพวกเทวดานะกายสำเร็จด้วยมหาปุตตะ่าสี่มนุษย์เดรัชานอะไรพวกนี้เปรตวิสาอย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าสัตว์ได้กายใดายกายหนึ่งแล้วเนี่ยจะไม่ได้กายอื่นดังนั้นมองในมุมกลับกันแบบว่าเฮ้เทวดาจะมาเข้าสิ่งเนถ้าได้ถ้าเข้าไปได้กายปรมกายเทวดาแล้วเขาจะมาได้กายมหาปุตตะ่าสี่มันก็จะขัดกับที่พระเจ้าตรัส แต่ทีนี้ในส่วนปลีกย่อยเนี่ยผู้เจ้าบอกเนี่ยถ้าเธอเอาจิตอยู่กับกายหรือเข้าปฐมฌานได้เนี่ยมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้แล้วถ้ามองกับกันถ้าเราไม่เอาจิตอยู่กับกายแสดงมารผู้มีบาปําอันตรายเธอได้สิเห็นไหมแต่ทีนี้จิตเนี่ยหลุดออกจากกายเนี่ยนานไหมน่าจะไม่นานหลุดไปปุ๊บขาดสติเนี่ยเพลินไปแต่ก็แล้วแต่ใครจะเพลินไปนานไหม คนเพลินนานก็คือนานดังนั้นถ้ามีอะไรเนี่ยเข้ามาแทรกในนี้เนี่ยแล้วเรามีจิตกลับมาอยู่ที่นี่เราได้ก่อนเขาไม่ได้นะเขาก็จะกลับต้องกลับไปได้ของเขาเหมือนเดิมตามหลักการใหญ่นะตั้งต้นที่พระเจ้าตัสเอาไว้เราก็ต้องได้ของเราเหมือนเดิมเขาก็ต้องได้ของเขาอย่างี้อ่า ข, ขอเล่าเพิ่มเติมนิดนะครับคือ แม่บ้านที่ทำงานสมัยที่ยังทำงานอยู่นะครับออคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่ที่ตับนะครับอาการก็คือมะเร็งแต่ตัวตัวเขาเนี่ยไม่ทราบแต่แต่สามีเขาทราบสามีเขามาเล่าให้ผมฟังแล้วก็ไปรักษาตามอาการของเขาที่โรงพยาบาลจนหมอบอกว่าให้เตรียมตัวตายก็คือเขาก็ไปรักษาทั้งหมอพระหมออะไรสารพัดก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็ ตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ลุกขึ้นมาแปลงฟันก็ได้ยินเสียงบอกว่าช่วยเขาได้ทําไมไม่ช่วยผมยังใครพูดก็มองไปก็ไม่มีใครพอมีไปถึงที่ทํางานเนี่ยเวลาเข้ามาที่ทำงานเนี่ยเขาจะเดินมาเกาะต้นมะม่วงมาทีละต้นคล้ายๆกิ่งกาโผไ ป, ปนเนีครับเกาะมาทีละต้นละต้นจนไปทํางานแล้วก็มานั่งหอบแล้วก็ทํางานไม่ได้เลยผมก็เลยเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาใกล้กาากาๆแล้วผมก็มองเขาเขาก็พูดพูดภาษาอะไรก็ไม่ทราบของเขาซึ่งเขาเป็นเ ช, ชื้อสายเขาเป็นคนมอญ แต่เขาสามารถพูดภาษาอีสานได้เขาก็ผมผมก็เลยจับจับมือเขาเขาก็ด่าทอแล้วก็ต่อต้านแล้วก็ดิน้นผมก็จริงๆผมไม่ชอบสิ่งเหล่านี้เลยแต่ว่าผมได้เคยช่วยคนลักษณะนี้มาหลายคนนะครับคือเขาก็ดิ้นแล้วก็ร้องร้องเสียงกรีดหวีดวายอะไรเียครับหน้าลูกน้องทีมงานก็หนีไปนั่งข้างห้องกันหมดเลยก็กลัวก็ ผมก็สวดมนต์ในใจแล้วก็ก็ถามเขาว่าอะไรที่มาอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกลบชนตายที่หน้าห้างห้างหนึ่งแล้วเขาไม่ ม, มีมีที่ไปเขาจึงต้องมาอาศัยร่างคนนี้เพื่อกินอาหารด้วยผมก็สวดมนต์ในในนโมทศอะไรพวกนี้ครับสวดสักพักเขาก็ออกไปแล้วก็ลักษณะนี้ผ ม, ผมก็ไม่เข้าใจว่าคือเขาเป็นอะไรที่มาเป็นนี้แล้วต่อมาเนี่ย เขาก็หายจากโรคมะเร็งครับลักษณะที่ที่คนนั้นเข้ามาสิ่งอยู่เนี่ยมันมันไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรมาเสิ่งอยู่ได้แล้วกินอยู่ได้อย่างไรครับก็เรื่องแปลกพิสดารในโลกเนาะมีเยอะแยะมากมีพระอยู่รูปหนึ่งก็เล่านะหลายก่อนนานละสักยี่สิบกว่าปีเนี่ยก็ก็สาธรรมิกกันเนี่ยเขาก็คนนี้นั่ง นั่งสมาธิเก่งแล้วก็ป่วยไข้วันนั้นอ่าเป็นไข่ยอยู่ก็เลยเอ๊ะทำไงนี่ก็เลยนั่งสมาธิเฉยๆนั่งๆไปก็มองเห็นคนเดินทะลุห้องก็มาแล้วก็มาอยู่ตรงหน้าบอกนั่งสมาธิเก่งนักหรอนีแล้วก็มาจับที่ตัวนะอ่าพระลูกนั้นก็ ก็รับรู้แล้วก็ทำสมาธิต่อไม่ได้สนใจอะไรนะสักพักหนึ่งเขาก็ปล่อยไปแล้วก็เดินทะลุห้องไปบอกออกจากสมาธิมาหายไข้ไปเลยก็เรื่องแปลกๆมันก็มีเยอะธรรมดาอย่าไปสนใจนะล้วก็สนใจการหลุดพ้นนะเหมือนกับผู้เจ้าบอกเนี่ยบุหลุดนั่งอยู่ริมสะบัวเห็นกองทัพช้างมาลดพลเดินเดินเข้าไปในสายบัว นะก็นึกว่าตนเองบ้านะแต่ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการลบกันระหว่างเทวดากับอสูรอสูรแพ้ก็เลยหนีเทวดาเข้าสู่ภพของตนทาง่ากบัวนะแล้วก็เลยบอกพิสุว่าเรื่องแปลกเนี่ยมีเยอะมากในโลกเต๋อตามรู้ไม่หมดหรอกนะให้กลับมารู้อุลิษัตรีดีกว่านะเพราะชีวิตเราเนี่ยเวลามันเหลือน้อยไม่รู้ใครจะตายเมื่อไรนะความตายจะพาเราไปเมื่อไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> ส่วนใหญ่ผู้เจ้าเนี่ยจะตรัดเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิต่างๆหลแล้วก็จะวกมาสู่อริสัพท์ทั้งสิน้นะให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายในสังสารวัตน์นี้นะบ่ายโมงกว่าแล้วเดี๋ยวได้ไปพักกันนะนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนทนะี่ได้มาสังสมสุตตะในคำพระตถาคตก็ขอให้เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมตถาคต มีความจเจริญรุ่งในในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมความปรารถนาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการัในใกล้โดยทั่วกันทุกตัางทุกคนเติอน